ตัตสัภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธตัตสัณโมตัสสัภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธตัตสัณโต สัมมาสัมพุทธสัจ สนังคตฉามิธรรมสนังคตฉามิธรรมสนังคตฉามิสังขังสนังคตฉามิทุติยมเปผู้ทังสนังคตฉามิ ติยัมปิธรรมสรนังกชามิติยัมปิสังฆังสรนังกชามิติยัมปิพุทธังสรนังกชามิ ตติยัมปิธรรมังสรนังขจามิตัติยัมปิสังคังสรนังขจามิติสรนักมันังนิทิตัง ะจะเจริญธรรมทุกคน <c oughs> วันนี้เรามาเรียนสรรค่าสร้างคนวันนี้วันศุกร์ที่ส9บเก้ากันยายนมันก็ ใกล้ก็มันจะสิ้นเดือนอีกแล้วนะพรุ่งนี้ยี่สิบละสิบเก้ากันยายน25ห้าอบเจ็ดแล้วนะแลมสิบแลมสิบเอ็ดคำแล้วนะแลมสิบนะเอ็ดคำอ่าเหลืออีกประมาณครึ่งเดือนเสรศษ เ, เองก็ออกพรรษาลนะน อาก็ว่ากันไปอาทีนี้เราก็มาว่าเรื่องของเราต่อท on ี well. ่เราได้พูดได้บรรยายได้อธิบายอะไรๆกันมาในเรื่องของบุญนิยมที่สมบูรณ์บุญนิยมที่สมบูรณ์นี่ถ้าเผื่อว่าสามารถปฏิบัติได้เต็มครบจริงๆเสื้อตะมา พยายามเรียบเรียงว่ามันจะมีเนื้อหาอะไรบ้างจนถึง11อข้อเราก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆแล้วจนถึงข้อที่10ละเหลือข้อ11สุดท้ายเท่านั้นจริงๆข้อ10ก็พูดเพิ่มเติมได้คือเชิญชวนให้มันดูได้หรือพิสูจน์ได้ ดุดเดียวกับพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่เกิดที่เป็นแล้วที่ได้แล้วเนี่ยเชิญให้มาดูได้ไม่ใช่อวดอ้างนะไม่ใช่อยากอวดอยากอ้างแต่ว่ามันน่ามาดูน่าให้มาดูมาเห็นมันเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่น่าพบน่าเจอน่าเห็นน่าได้เห็นในเป็นบุญตา นะไปของดีอย่างนั้นอย่างนั้นนะเพราะงั้นพวกเราที่ได้ทำแล้วนี่พูดไปเรื่อยไปจะคอยหาว่าเราเองนี่เราอวดเราอ้างเราก็ไม่ได้อวดไม่ได้อ้างแต่ว่าเราก็เป็นปกติของเราที่ถึงเวลาวาระทำงานเนะป่าประกาศเช่นว่าเราจะทำงานรวมคราวนี้เนี่ย งานที่มันจะร่วมมันทาแล้วเราก็พนึกกันแต่ก่อนแต่ไรเราก็ทำอยู่แล้วแหละแต่คราวนี้เนี่ยมันก็ดีที่เรามาร่วมกันแล้วก็ได้ทำงานกันได้ออกได้รวมคิดร่วมทำร่วมอะไรอะไรกันเป็นการศึกษาปรากฏการวิทยาของอมหาวิชารามมหาวิชารามพยายามเรียกให้มันติด ป, ปากม่ใช่มหาวิทยาลัย วิชารามเป็นมหาวิชารามซึ่งก็เป็นการศึกษาที่ทั้งปฏิบัติจริงทั้งศึกษาจริงเรียนรู้จริงปฏิบัติจริงผนึกกันบ้านวัดโรงเรียนที่มันลึกซึ้งมากเลยแล้วมันเนียนมันเนียนลึกซึ้งและเนียนผ ส, ผสมผสมประสานที่ครบ ความเป็นสังคมมนุษยชาติที่สมบูรณ์แบบดีจริงๆนะเพราะ้พวกเราก็ใช้โอกาสพวกนี้เป็นการศึกษาศึกษาทั้งที่เราเรียนรู้โดยประยัดบรรยายฟังและเราก็ปฏิบัติจริงและเราก็จะต้องให้จริงนะให้จริงอย่างไรให้จริงที่เป็นการปฏิบัติทรรม ปฏิบัติธรรมจะต้องมีสติมีโพธิชงมีโพธิปักขคียธรรม37เนี่เป็นหลักโลกุตรธรรม46โลคุตรธรรมอันนี้แล้วก็จะไปบวกกับโลกุตรธรรม9นะเพราะว่าโพธิปักเคียธรรมนี่มี37มนะมันก็ต้องรู้เริ่มเลยเราจะเราทํางานมีนอกมีในมีตั้งแต่สภาพที่เราต้องรู้เท่ารู้ทันสิ่งที่ถูกรู้ ได้กว่ารูปเพราะเมื่อเรามีตามีหูจมูกดินกายเป็นภาษาทรูปมีสิ่งที่จะทบบสัมผัสทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งดินทั้งกายได้นรูปรสกลิ่เสียงสัมผัสต่ตางๆเราก็จะต้องมีสติเป็นสติปัฏฐานต้องดูองค์รวมเรียกว่ากายองค์ประชุมต่างๆทุกโอกาสที่มันเป็นองค์รวม มันมีอะไร อ, อะไรรวมอยู่ทุกบรรยากาศทุกวัตถุทุกบรรยากาศของนามธรรมสำคัญเรื่องของนามธรรมนี่สำคัญตลอดเวลาเลยเรื่องนามธรรมนี่มันเรื่องจิตใจเพราะว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมในระดับโล ก, กุตระจะต้องรู้จักจิตเจตสิกเป็นปรมาถ ธ, ธรรมแล้วก็ต้องกำหนดรู้จริงๆอ่านรู้จริงๆมีสติแล้วก็มีการใช้ ใช้การฝึกฝึกให้จิตเรานี่มีสัญญากำหนดรู้กำหนดรู้กาหนดรู้รู้รู้รู้รตัวนะกำหนดรู้อย่างแท้จริงแล้วก็วิจัยมีธรรมวิจัยสัมโพธชง์นะซึ่งประกอบอยู่ในตัวปฏิบัติโพชงเจก็อยู่ในหลักของโพธิปัธรรมนี่แหละข้อห กเจ็ดก็มักมักองแปดอะไรเงี่ยมต้นนี่ครบหมดอยู่แล้วเมื่อเราปฏิบัติจริงเราก็จะรู้จะเข้าใจและจะเห็นของจริงได้ตัดกิเลสจริงนี่สำคัญผู้ใดปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้รู้ความจริงไม่รู้ตัวกิเลสเกิดเมื่ อ, อไรเกิดแล้วก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็มาเกิดทั้งรักทั้งชัง 16หปีแห่งความรักทั้งรักทั้งชังอะไรหวานและขมขืนอมันก็มีรักมีชังมีผลักมีดูดเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นก่อนจะมีไอ้มีผลักหรือว่ามีทะเลาะมีวิวาดมีขัดแย้งกันเนี่ย เราก็ต้องพยายามแต่พวกเราพยายามอยู่แล้วแหละแต่ข้อสำคัญนะั่นคือดูดดูดอะไรดูดเข้ามาแสกอัตตาตัวเองมากขึ้น <c oughs> ไม่รู้อัตตาตัวเองแนละ้วดูดมาแสกอัตตาตัวเองมากขึ้นดูดความเห็นเป็นความเห็นโชว์ความเห็ น, สนแสดงกิเลสตัวความเห็นแล้วก็ยึดความเห็นของตัวเป็นอัตตาจะเอาชนะข้ารานด้วยต้องตามความเห็นของข้า เป็นทิฏฐ ป, ปาทานความเข้าใจความเห็นความรู้อะไรก็แล้วแต่เป็นทิฏฐ ป, ปาทานยึดจริงๆเพราะเราจะไปสงครามธรรมะสัมมาธรรมะธรมสงครามสงครามความเห็นสงครามไอศีนพลดก็ไม่เท่าไหรหรอกแต่ในาย่าละเอียดมันมีเหมือนกันพลดคือการประพฤติความประพฤติต่างๆนี่แหละที่มันกัดกันมันขัดกันมันแย่งกันอยู่เนี่ยประพฤติกระรมนี่แหละอะ ความเห็นนี่ทะเลาะ ก, กันหนักแต่เวลาประพูดจริงๆก็ไม่เคยเท้อไรหรอกนะประพูดจริงๆก็เอาไปเอามากันลากลากันไปลากัากกนมาดึงกันไปดึงกันมาฟื้นบ้างก็ทําบางทีก็ทําประชดประชันบ้างเท่านั้นเองคนที่ประชดหนักก็คือเราเลี่ยงนี้เลยไม่รวมไ่รวมมือประชดประชันหนักไม่ทําด้วยเลี่ยงไปเลยหนีไปเลย อ, อันนั้นอาการหนักหน่อยมันก็ไม่ถึงมันทําลายทาลายอะไรกัน สนะิ่งเหล่านี้เราได้การปฏิบัติได้การศึกษาได้ทําจริงจริงๆเลยนี่มันเป็นรายได้เป็นผลผลได้หรือรายได้ของเราเนี่โอ้โหมันหาค่าไม่ได้เลยนะมันมีผลพลอยตามผลของการงานเกิดขึ้นผลของรายได้ทางโลกก็มีอะไรอะ ไ, อะไมันเกิดขึ้นตามมาเป็นตามลําดับเลยแต่ข้อสําคัญที่เราทนะํานี่ยมันคือ ปฏิบัติทำให้มัเกิดจิตวิญญาณที่จเจริญพัฒนานี่อันนี้ปรืริยสุดนี่แหละจะเป็นมหาวิชารามที่เป็นมหาวิชารามเป็นมหาเวียาลัยโลกโลเขาเรียกอุดมศึกษาหรืสถาบันศึกษาขั้นอุดร อ, อุดมเนี่ยสูงสุดเนี่ยเราจะเป็นแห่งแรกของโลกแหะที่จะมีหลักสูตรมีการเรียนการรู้การปฏิบัติประพฤติจริงกันจริงๆอย่างนี้จริงๆ เพราะเอาให้จริงนะพวกเราเนี่ยรักษากันอาไว้ให้หมวลนิสิตเนี่ยไม่ให้มันตกมันหล่นอะไรอพอถึงปี4ีแล้วโอ้โหแม่รับปัญญาบัตรกันร้อยคนนี่ก็แจวเลยแม่จเจริญศักดิ์ศิลมันเนี่ยรับปัญญาบัตร อ, อัตมาและเสีย ว, ว, วอยู่นะว่า เอออาตมาจะมีสตังไปซื้อทองคำมาทำปัญญาบัตรแผ่นรปัญญาบัตรให้พวกเราตั้งร้อยแผ่นเลยนะร้อยแผ่นนี่มันร้อยบาทหนึ่งแผ่นหนึ่งมันประมาณบาทหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็อะะหนึ่งกิโลโหนึ่งกิโลแต่ก่อนนี่ก็ยังถูกนะเดี๋ยวนี้หนึ่งกิโลเนี่ยปลาเขาไปเท่าไหร่บาทนึงมือจะสองหมื่นลนะ เดี๋ยวนี้เราไม่ถึงสองไม่ถึ ง, งหมื่นดีบาทนั่เดี๋ยวนี้ลดลงมานะอะไรแสนอะอะไรนะอ่ามืนเจ็ดมืนแปดมืนเจ็ดมืนแปดร้อยคนนี่ก็ล้านเจ็ดกิโลครึ่งล้านเจ็ด ก็ไม่รู้อะไรเด็กบาทบาดกับ พ, พอแล้วไม่ต้องเป็นโลเลยแล้วเพราะแผนหนึ่งเงินบาทหนึ่งแล้วบาทหนึ่งก็ตีราคาแล้วเกือบสองล้านขอให้จบจริงอาตมาสู้จริงสู้มาพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ปัจจุบันนี่เกิด ธรรมมาธรรมะสงครามนี่แหละงานเจนี่แหละแค่เรื่องที่จะปิดถนนไม่ปิดถนนเนี่ยแค่นี้นะเราจะเรียกร้องเข้ามาดูการทะเลาะ ก, กันหรือเปล่าอ้าวเชิญมาดูได้เพราะเราจะทะเลาะ ก, กันให้ดูอเ อ, เอฮิปัสซิโก เชิญเรียกร้องเชิญชวนให้มาดูได้เราจะทะเลาะกันให้ดูมันยังไงมันก็เป็นความเห็นจริงๆแล้วเนี่ยนะก็มีมติมีอะไรแต่ไปแล้วแต่เท่าเถอะความเข้าใจไม่ชัดนักอธิาว่าไม่ชัดไม่ละเอียดกันแล้วว่าปิดปิ ด, ปดโบสถ์กันพูดกันแล้วนะปปิดอะไรแค่ไหนจริงๆมันปิด ก็เห็นกันทั้องลงคะแนนเสียงแล้วว่าตกลงปิดเขาก็ปิดดูเขาไม่ได้ปิดไม่ปิดเมื่อไหร่ก็ปิดแต่ปิดชุกช่องหนึ่งว่างไม่ส่วนที่เป็นเป็นทางปิดแต่ไปกําหนดหมายกันเองหลายผู้หลายคนไปไ็นกฎหมายกันเองอะปิดหมดทั้งถนนเลยซึ่งเราก็วิจัยกันมาม า, มากแล้ววิเคราะห์วิจัยกันแล้วว่าปิดทั้งถนนนี่มันยังไม่ไหวนาะประชาชนเขายังไม่ได้ เห็นว่าอาโศกเราเนี่ยนะคือแมมพอคุณทูลหัว <c oughs> เขาไม่ได้เห็นเราเป็นอะไรที่จะน่าชื่นน่าชมอะไรมีอะไรนี้แหน่อยมันก็จะหาเรื่องอยู่แล้วจะจับเรื่องอยู่แล้วเราก็ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยอะไรก็ยังไม่มีความพร้อมเท่าไรความร่วมมือแม้แต่จราจรก็ไม่ได้เต็มเต็งอะไรเท่าไร ก็ไม่พร้อมที่จะโอ้โหเอาเลยครับเอาเงินอย่างงี้เขาอาสาเลยอย่างาางี้ผมปิดเลยอย่างงน้นี้เขาก็ไม่ได้พูดเลยเราเองทั้งนั้นเพราะเราต้องระมัด ร, ระวังมากเลยรู้ไหมนะเราต้องระมัด ร, ระวังน้อยไว้ดีอย่าไปใหญ่อาตมาขอเตือนอะไรทําใดวินยัยใดเ ไ, ไปเพื่อความมักใหญ่มากๆไอ้กว้างไอ้ขวางไอ้เยอะขึ้นนั่นมันทั้งนั้นนมันหมายความว่า มหปิติาหรือมหิจฉะทั้งนั้นอ่ะใหญ่มากทั้งนั้นน่ะซึ่งเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าท่านตรัสจำนักหนาว่าทําใดวินัยใดเป็นไปเพื่ความมากมากมักใหญ่มักโตมักรู้มักรามักกว้างมักหลายอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ของเราข้อเรานะมากน้อยน้อยไว้อันนี้แหละอยากจะเตือนมันก้าวหน้านะมันดี ดีเขาก็รู้มันซับซ้อนอยู่ในความรู้อันนี้นะมันซ้อนมันก้าวหน้าไปมันกว้างขวางขึ้นมันมีเพิ่มขึ้นโตขึ้นเจริญขึ้นมันดีแต่ไอ้ตรงซันซ้อนนี่แหละว่าเรามักใหญ่เกินเหตุเกินปัจจัยเกินความเหมาะความควรมันต้องรวมสัพริสธรรมเ็นี่มันจะต้องตรวจสอบจริงๆเลย ต้องดูตั้งแต่เนื้อห า, นาเนื้อหาต่างๆนาน า, นาเป้าหมายต่างๆนาจนกระทั่งสำคัญก็คือดูตัวเราตัวเราก็เท่านี้ใหญ่นักเลยโศกได้รับความยอมรับอย่างพร้อมเพรียงแล้วนักเลยมันไม่มีอุปสรรคมันไม่มีตัวที่เขาจะเล่น อะไรอยู่อิทธิพลเขาก็ไม่ใช่เบาแล้วเขาโอ้โหอยู่จะได้เราเองเจียมตัวจะตายเพราะงั้นจะต้องให้ลึกตรวจสอบจิตใจให้ลึกมันไม่ใหญ่ไม่เป็นไรให้มันมีเน้นที่ของเราทำได้ที่ว่ามันถูกต้องแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนใหญ่หรอกนะ ไม่ต้องรอบรีบร้อนที่จะกว้างจะมากหรอกคิดดีๆเห็นดีๆไอ้นี่แตมาพยายามดึงพยายามปรามไอ้ความก้าวหน้าความจเจริญขึ้นเรื่องขึ้นมันไม่มีปัญหาหรอกมันก็ใครก็เห็นว่ามันก็ดีละ่ะแต่มันต้องระมัดระวังจริงๆมันต้องประมาณมัดตันอยูตาดูตัวเราให้ดีๆอ่อนน้อมถ่อมตนไว้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใชจเล็กๆ น, น้อยๆไว้ก่อน อย่าเพิ่งไปเพิ่งใหญ่เพิ่งโตเลยนะอย่างเช่นยกตัวอยางเป็นรูปธรรมอย่างไปไประชุมรุมประท้วงนี่นะเข้าไปไประชุมรุมประท้วงเนี่ยเขาออกไปถนนเนี่ยเขาไม่ไปเต็มกั้นถนนปุ๊บปุ๊บปุ๊บหรอกเขาจะกั้นไว้ส่วนหนึ่งน้อยน้อ ย, น, อ ย, น, อยน้อยก่อนพอคนมาเต็มเต็มเต็มเต็มมันก็เต็มเองไ อ, อย้ยางงั้นคนก็ว่าไม่ได้ ว่าไม่ได้แม้แต่ตำรวจตำรวจเจ้าหน้าที่อะไรก็ต้องยอมเพราะว่ามันคนมันมามันเต็มเต็มเตมตมเต็มขึ้นไปแต่นี่เราไปกะเกนเอาเองเลยปิดปิดปิดมันไม่ถูกเราไปนั่งปฏิบัติรแท้ทำแท้ๆเรายังทำไม่เหมือนโลกีข้างนอกเขาเลยมันไปจุมนุมประท้วงกับเคยมีประสบการณ์กันมาแล้วเราต้องระมัดระวังนะ เราปิดขนาดนั้นก็ดีแล้วถ้านะถ้าถ้าเผื่อว่าเราปิดเข้าไปขนาดนั้นแล้วมันแน่นจริงๆมันเป็นจริงๆมันก็ขขขเขเคยเหบไปได้มันก็จะเป็นธรรมชาติมันก็จะหยุดไปตำรวจเขาก็าาจะเห็นเลยว่าเอออันนี้มันมันมันเป็นนะมันเกิดการโอ้คนชื่นชมคนมากันแน่นกันมากซึ่งเป็นงานที่ดี ไม่ใช่งานมาแล้วมาตีกันเราอย่าให้มันเกิดตีกันกันละกันมันเป็นงานที่ดีอ่ะนะเพราะคนมามากมากเจ้า ก, ก็ทํามันแน่มนเลยมันจะเป็นไปเองอ่ตจมาว่าเป็นไปเองเพราะเราจะไปใหญ่เลยเล็กไว้น้อยไว้เถอนะนะนี่ก็โอ้โหไม่ใช่น้อยละไปยึดถึงถนนเขาธรรมดาเราก็ไม่เคยยึดถนนเขาเอาแต่แค่ครับพที่เราทํา ฟุตบาทเราก็ยังไม่เคยออกไปล่าเราโล่งอะไรมากมายนะทุกทีปีนี้ถึงขั้นคลอมฟุตบาทไปถึงถนนนนเอาเต้นข้าไปถึงถนนปนันนี่ไปกลางเต้นยังอะ่ะฮะกลางแล้วนั่นฮะดังดันน้นนาอืมนั่นะนะนะ เอาละอาตมาว่าก็ประปราแล้วก็บอกบอกกันให้รู้ให้นํานวณประมาณกันอาตมาก็มีหน้าที่ที่จะดูอะไรมากไปเกินไปอะไรที่ไม่พอก็ส่งเสริมอะไรที่มากไปก็ดึงไว้เป็นธรรมดาธรรมชาติแค่นี้อย่างนี้แหละนะซึ่งอาตมาดูองค์รวมแล้วพวกเราก็เข้าใจแล้วก็ตั้งใจจริงอยู่ว่าเราจะทำอะไรอะไรต่างๆนานาให้มันดีนะให้มันเจริญพัฒนา แต่ว่าอย่างนั้นแหะมันก็กิเลสตัวที่มั ก, กใหญ่มักเร็วก้าวหน้าอัดตาตัวตนเอาชนะครคารจะต้องอะไระใช้หมดใช้วิธีการที่จะโบดเสียงโบทเสริงอะไรก็ใช้ดีไม่ดีโบตเสียงก็ยังมีนะกลเม็ดเด็ดพลายมีน ะ, ะมีวิธีการแท็กติกต่างๆโอ้หาเสียงวิธีนั้นหาเสียงวิธีนี้เลือกกินและคน่ะ ไม่มีอะไรเก่งเท่านคนหรอกเชิงเล่เชิงเล่เชิงกอลเมตเด็ดพลายนี่ไม่ต้องห่วงหรอกยอดเยี่ยมอะเพราะงั้นพยายามดูตัวเราเองเราย่าไปใช้เล่ใช้เล่ให้จริงใจแล้วก็ดูจริงๆตัวเราเองว่าเออจิตเราเนี่ยมันมันมันมากไปมันจัดสรรมันไม่พอเหมาะ มันโลดแล่นเกินไปกิเลสมันนําหน้าไอ้ประเด็นที่อาตมาว่าก้าวหน้ามันดีแต่อยากใหญ่มันไม่ดีประเด็นแค่นี้อ่านให้มันง่ายง่ายให้มันชัดชัดมันไม่ง่ายแต่มันง่ายนะแต่มันไม่ง่ายที่เราจะรู้กิเลสของเรากิเลสของเรามันไอ้กิเลสของเราเนี่ยมันมันจะเอาก้าวหน้าหรือมันจะเอา มากมากมักใหญ่เกินไปมันจะก้าวหน้ามันจะพอเหมาะรู้ว่ามันจะจะเอาใหญ่เกินกลัวเกินตัวเกินจริงเกินเหตุเกินปัจจัยอันนี้อัตมาว่ามันไม่ได้ยากอะไรเพราะมันก็ดูข้อมูลโดนเหตุการณ์จริงๆมันก็ต้องไอ้ข้อสำคัญมันไม่รู้ก็คือหนึ่งไม่รู้ใจตัวเองมมนมีกิเลสไม่มีกิเลสองแม้ข้างนอกสิ่งประกรอบเหตุปัจจัยต่าง เหตุปัจจัยมันมีทั้งพฤติกรรมมนุษย์ทั้งตัวตนบุคคลสถานที่ทั้งเหตุปัจจัยหลายๆต่างๆนานาจิตวิญญาณของคนอื่นๆด้วยกระแสสังคมด้วยองค์รวมของกระแสสังคมด้วยอะไรพวกนี้ต่างๆสิ่งแล้วนี้เป็นองค์ประกอบทั้งนั้นเป็นธรรมะที่รวมอยู่ในนี้ทั้งหมดเรียกว่าองค์รวมทั้งหมดเลยภาษาพระธนเลวะกายกาโยเนี่ย รงรวมล้วต้องประมาณคำนวณเอามาใช้ขาดหากตกลนแคบแค บ, แ ค, บคำนวณแต่ฉันจะเอามองเห็นได้แค่ปลายจมูกตัวเองเท่านั้นเห็นแต่ว่าตัวเองมุ่งดีไม้ดีเจตนาดีอยู่แค่เนี้ยแค่ปลายจมูกตัวเองอะ่ะอันอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้เขาเป็นยังไงไม่รู้มาหยิบมาเป็นเหตุปัใจจัยในการที่จะต้องเอามาบวกลบคูณฐาน เอามาประมาณการแล้วก็จัดสัดส่วนให้นเหมาะพอดีไม่รู้เลยพวกนั้นทำอะไรไปไม่รอดรอกทำงานสังคมไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ไกลทำไปก็พังเร็วดีไม่ดีก็ตายถูกก็ขาดตายเลยนะว่าเราจะทำอะไรให้ดีๆก็ต้องประมาณใช้สับปริสรรมหรือมหาประเทศของพระเจา้าอย่างที่พูดแล้วพูดอีก ก็ต้องพยายามรู้ว่าอะไรคือมหาประเทศอะไรคือสับริสธรรมไม่ใช่มีแต่ในตําราพระเจ้าตรัสไว้มันละเอียดลึกซึ้งเจข้อแค่นั้นแหละแต่ว่ามันเยอะมากเลยนะเจข้อที่มันรวมหมดเลยธรรมัญยุตาอัตถัญยุตาอัตตัญยุตาตัวเราเองมัตตัญยุตาสุดตรงกลางข้อกลางตัวข้อที่สในเจเนี่ยมัตตัญยุตตาการประมาณการจัดสัดส่วน การบวกลบคูณหารให้ได้ตัวที่เราตกลงประมาณการแล้วจากนั้นก็ดูโอากาสการลันยุตาเวลากาละต่างๆแล้วก็ดูองค์รวมอื่นๆที่เกี่ยวกับนะปริสันยุตานะปริสันยุตาสิ่งที่มันร่วมรวมอยู่ทั้งรูปเรนาม ทั้งตัวตนบุคคลแล้วสถานที่ทุกอย่างเลยเป็นองค์รวมโดยเฉพาะตัวบุคคลนี่แหละมีจิตวิญญาณนี่แหละสำคัญน่ะปริสันยุตาตัวบุคคลมมู่กลุ่มคนของเราเนี่ยที่จริงเราไม่ได้เอาแต่แค่คนที่จะมารวมตัวกันในงานเท่านั้น เราต้องคำนึงถึงคนที่เขาไม่ได้รวมในงานคนไปคนมาเพราะเราเกี่ยวกับถนนนี่คือสถานที่เกี่ยวกับถนนหนทางด้วยเพราะเราจะปิดถนนอ่ามันกเกิดเรื่องสิเกิดผลกระทบสิคนที่เขาไม่เกี่ยวไม่ข้องกับเราเลยไอ้นคนเกี่ยวข้องเราจะวเรียกวัิสันยุตาคือหมู่กลุ่มนี้อันนั้นก็ส่วนหนึ่ง แต่เกี่ยวจริงๆมันไม่ได้แค่นั้นน่ะปิดถนนน่มันเกี่ยวหมดเลยคนก็ไม่เกี่ยวเขาจะวิ่งรถไปมาเนี่ยอะไรวะนี่มันมันอะไรเากมันก็ผลกระทงกระทืนแล้วอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เรื่องแค่รถวิ่งรถอะไรคนมันมีใจอ่ะมันมีใจมันไม่ชอบหน้ามันไม่ได้มางานแน่นอนมันไม่ชอบหน้าเราอ่ะเราทำอะไรมากอะไรเกินมันก็ต้องคานึงคานวณถึงตัวเขาด้วย ไอ้พวกนี้เนะี่ยมันยิ่งตัวร้ายนะไอ้พวกเนี้ยตัวร้ายเลยตัวจอมหาเรื่องเลยนะไอ้คนพวกเนี้แล้วต้องระมัดระวังอย่าให้มันเกิดเรารู้ว่ามันมะีนะหรือใครว่าไม่มีอัตม า, าพวกเราไม่เซอร์จนกระทั้งถึงขันไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรมีอะไรไม่มีโอ้ขนาดพระพุทธเจ้าทั้งองค์ยังมีคน หมายรายมุ่งราย <c oughs> คุณคือใคระคุณคือใครเพราะงั้นเราก็จะต้องอเรียนรู้จริงอของเรานี่ปรากฏการวิทยาบ้านวัดโรงเรียนของเราเนี่ยมันดีจริงๆนะ อาวละอัตมาว่าวิเคราะห์วิจัยกันดูแล้วก็ได้ปฏิบัติให้เกิดปฏิพานปัญญารู้ตัวรู้ตัวตนเองเข้าใจแล้วก็ว่าไปนะทีนี้มาข้อที่11อนะข้อที่ส0เนี่ยเชิญชวนมาดูนี่ก็มาดูเขาเกิดจะมาเห็นมาดูละอันนี้ส่วนหนึ่งถึงเวลาวาระไม่กี่วันละพรุ่งนี้วันที่20แล้วอีกสองวันก็เริ่มเฮ ล, ลโลฮอลโลเลแล้วข้ออนี่เป็นความรวม จุดสมบูรณ์คืออิสระเสรีภาพพระราดอนระภาพสันติภาพสมัตภาพบุรณภาพาห้าคำนี้จะาามาคิดไว้นานมามากละแล้วก็ไม่ค่อยได้อธิบายทันที เพราะว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยยกใครจะอธิบายได้พอเข้าใจกันได้น่ะอิสระเสรีภาพกับพยามหมาภาษาอังกฤษกันร่วมกันกับคุณไอพ่อของแจ๊วพ่อของนดาบบุญสุเมตร่วมกันคิดจะเอาคำไหนดีคำไหนดีช่วยกัน สุมเม์เขาเก่งเขารู้หลายภาษาแล้วก็ชำนาญทังภาษาอังกฤษอัตมามันไม่ที่ผงอะไรหรอกภาษาแต่ก็ช่วยเขาบางังเ็กน้อออกความเห็นร่วมบงังอันนั้นนี่วิเคราะห์วิจัยกันพอเข้าใจภาษาตัวนั้นตัวนี้บงังอัตมา ก, ก็พอเข้าใจยิงคอนเวอร์เซชันอัตมาไม่เป็นเลยไม่ได้เรื่องเลยฟังก็มีไม่ค่อยรู้เรื่องเลยย่งไปอพูดตอบเา อ, อิสาราเอลีาพาเขใช้คาว่าอินดีพเ นะ้าหรืออินดิพเอนเดก็ว่าไปมันมันก็ไม่อะไรนักหนานะ้าส่วนพระราดรภาพนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะใช้คําว่าแฟชั่นิตี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะ้าและพีซสันติภาพก็ไม่มีปัญหาอะไรไป ม, มีปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือสมตรติภาพสุดท้ายคําที่มีปัญหามาก บ, บูรณภาพ Integrity น่ะมีคำที่เขาเรีย น, นกัน Efficiency หรือว่าสมรรถภาพก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวบุรณภาพนี่แหละ Integrity นี่แหละจริงๆแล้วคำว่าไอ้คำว่าบุรณการหรือบุรณภาพบุรณการ บูรณาภาพมันมีความหมายสองในบุรณาการนั่นคือการกระทาอยู่ส่วนบูรณาภาพนั่นคือความสำเร็จคือตัวความเต็มบูรณาการคือการทำให้เต็มทำให้สมบูรณ์บูรณะนี้ก็สมบูรณ์นั่นแหละทำให้เต็มเพราะงมันพร่องมันไม่เต็มมันไม่สมบูรณ์เมื่อไหร่ เราจะต้องเติมให้เต็มเติมให้เต็มเติมให้เต็มเติมให้เต็มเติมให้เต็มเรื่อบูรณาการเติมให้เต็มเติมให้ครบไม่ให้ขาดไม่ให้พร่องมันพร่องลงไปเมื่อไรต้องรู้ทันรู้รู้ให้เร็วความบกความพร่องอะไรขึ้นมาขาดจากสิ่งที่มันไม่ควรจะขาดพร่องขึ้นมาในสิ่งที่ไม่ควรจะพร่องมันควรจะเจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นไม่ใช่มันพร่องลงพร่องลงในสิ่งที่ควรจะพร่อง ไปขออะไรในสิ่งที่ไม่ควรจะพร่องนี่คือตัวสําคัญเราทําำตลอดเวลาตรวจสอบตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการบูรณาการตลอดเวลาจริงๆและความเต็มจริงๆนั้นมันไม่มีหรอกความเต็มจริงๆไม่ได้มีหรอกมันมีอยู่อย่างเดียวที่มันเต็ม คือความเป็นอรหันต์เต็มจบหยุดเลิกพอเลยซึ่งเป็นเรื่องรึกซึ้งมากเลยความเต็มจริงๆเนี่ยเต็มเพราะว่ากิเลสหมดเกลี้ยงจริงๆแล้วการเกลี้ยงจริงๆของกิเลสเนี่ยของพระเจ้านี่สุดยอดละเอียดนิปุนา ละเอียดถึงขั้นนิพพานเนี่ยไม่รู้จะไปแปลว่าละเอียดอะไรภาษาไทยก็ไม่มีภาษาอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นนะไอ้ความละเอียดนิปุนาเนี่ยปณีตามันก็ละเอียดแหละสุขุมประณีประนอมก็ละเอียดแล้วยิ่งนิปุนาเนี่ยยังโอ้โหละเอียดถึงขั้นนิพพานละเอียดในขั้นไหนการปรุงแต่งทําให้เจริญทําให้ดีคือบุญ บุญญาพิสังขารมีการอภิสังขารในสังขารสาเนี่ยอภิสังขารปุญญาพิสังขารอานินชาพิสังขารบุญญาพิสังขารคือทำให้เกิดบุญทำให้เกิดเจริญที่จะเป็นอรหันต์ก็คือมันจะต้องเจริญบุญนี่แหละจกนกระทั่งบุญจบบุญคือการชาระบุญคือการชาระกิเลสมัน แม่ลึกซึ้งมากเรื่องนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยคําว่าบุญคำเนี่ยเนี่ยพวกเราต้องพยายามศึกษาดีๆเข้าใจให้ได้แล้วจะได้ช่วยกันพูดช่วยกันเปิดเผยมันมันเพียนมาจน ก, การะทั่งทำให้าศาสนาเสื่อมกับคําว่าบุญคําเดียวมันมีคําว่ากายคําว่าบุญที่อาตมาเจอกับสองคําเนี่ยโอ้โหเพราะมันเกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาคําว่ากายกับคำว่าบุญเนี่ย มันเป็นการปฏิบัติตนเองถ้าเป็นโล ก, กุตระเริ่มตนเ ร, รู้กายเรารู้องค์รวมแล้วเราก็เรียนรู้ปฏิบัติมีสัพพุทธธรรมนี่แหละทาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีสติปัฏฐานมีการคำนึงถึงองครวมเนี่ยกายในกายแล้วในกายในกายมันมีอะไรมันมีเวทนามันมีจิตมันมีธรรมไม่ใช่กายในกายมันมีแต่กร่างมันไม่อันนี้แหละพัง แล้วเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่บุญนี่มันไม่ได้ได้วัตถุไม่ได้ได้โลกีไม่ได้ได้คุณธรรมโล ก, โลกมันเป็นการโลกุตระเป็นคุณธรรมระดับโลกุตระบุญเนี่ยเพราะถ้ามันไม่ใช่ไอ้คุณธรรมระดับโลกุตระไม่เรียกบุญหรอกเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยทำเสร็จแล้วจบแล้วมันจึงจบเลยมันไม่มีบุญอีก จึงเรียกว่าสิ้นบุญสิ้นบาปจบไม่ต้องทำอีกไม่ต้องมีอีกคนหมดบุญหมดบาปสิ้นบุญสิ้นบาปมันเพี้ยนนะคนผิดมันจนกระทั่งเอามาเรียกว่าคนสิ้นบุญคือคนตายไม่ผิดนะแต่มันผิดคุณละขั้วเลยคือคนยิ่งเกิดเป็นอรหันต์น่ะคนสิ้นบุญน่ะคนเกิดเป็นอรหันต์เลยนะคนหมดการตายเลยนะ ไม่มีอะไรตายอีกแล้วนะกิเลสที่ไม่มีอะไรก็คือกิเลสกิเลสหมดเกลี้ยงไม่ตายอีกแล้วไม่มีฟื้นไม่มีงุกงิกไม่มีเศษ เ, เลือเลยไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วดับสนิทเป็นนิจจังทุวังสสตังวิปรินามะธรรมังอสังเกตังอสังกุ ป, ปังจริง เพราะในบุญคํานี้จึงรู้สภาวะมันไม่ถูกว่าบุญจริงๆมันคืออะไรเอาไปใช้เพี้ยนไปเป็นโลกียะไปเป็นกุศลไปเป็นความดีงามไปเป็นโลกียะที่ควรได้ควรมีควรเป็นกันไอ้นี่มันควรมีควรเป็นได้อย่างยิ่งอะแต่มันต้องรู้ว่าไอ้ควรเป็นควรได้เนี่ยที่จริงมันได้อะไรได้สิ่งที่เอาออกได้สิ่งที่กําจัดออกได้สิ่งที่จะต้องให้มันหมดไปจาก ตัวเราเลยตัวเราของเราเลยหมดไปในตัวตนตัวตนไม่มีเลยหมดที่เหลืออะไรอยู่ก็หมดจนได้เลยหมดแล้วก็หมดกันไม่ต้องบุญแล้วปุญญะปาปะปริคีโนสิ้นบุญสิ้นบาปเลจบไม่ต้องมีอีกบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีไม่ต้องทำบุญไม่ต้องทำชําระอะไรอีกแล้วน่ะ เพราะฉั้นพวกเราเนี่มาทํานี่ยมาทำเรื่องนี้บูรณการเรื่องนี้เป็นหลักมันมีประโยชน์สองส่วนทันทีมันเป็นอุปยัตถะเอาเร า, เอาออกเนี่ยคนอื่นได้ทันทีเหมือนกันถ้าเราเอากิเลสเราออกเราเอากิเลสโกรธออกมันก็ไปไม่มีพลังงานไปรบกวนอะไรในโลกเลยกิเลสโกรธเราเอากิเลสโลกกิเลสราคะออกอีก มันก็ไม่เป็นอารวาสดึงมาหาเรามันไม่ใช่ทำลายเราแต่ไอ้โกรธนี่มันทาลาย่ะนะนั้นความสงบเกิดแล้วถ้าไม่มีโกรธแต่ความรักความโลภความราคะนี่มันก็เหมือนมันไม่สงบมันก็เป็นเรื่องไม่สงบเหมือนกัน่ะมันมันมันสะท้อนต่อมันสะท้อนต่อเมื่อไม่สมรักไม่สมโลภไม่สมราคะมันก็เกิด โทสะเกิดพยาบาทเกิดอาฆาตเกิดทำร้ายทำลายขึ้นมามันมีตัวรูปต่ออยู่อย่างนั้นเพราะมันไม่จบทันทีหยุดกโกรธหยุดอาฆาตมันก็ไม่ได้หยุดทันทีมันสั่งสมความอาฆาตสะสมหมักหมมความที่จะผูกพยาบาทต่อเรื่องต่อราวอะไรอยู่นี่มันไม่ง่ายนะที่จะรู้ตัวรู้ทันไม่ง่าย มันผู้ที่สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาก็คือรู้ว่าบูรณาการตัวแท้เนี่ยคือการพยายามทำให้เราตัวเองเป็นอรหันต์ให้เต็มจริงๆตัวบุรณาการบูรณะ ส, ม, สมบูรณ์สัมปูรณะคือเต็มเพราะมันออิทเกติก็จะแปลว่าสื่อสัตว์แปลว่าอะไรดูความคุณงามความดีแปลอะไรได้อีกเยอะจ๊ะ ก็คือคุณค่าอันประเสริฐที่จะรวมให้เต็มอะไรมันขาดก็คือสิ่งที่ทั้งทั้งประโยชน์ข้างนอกไนงะที่เป็นกุศลหรือเป็นคุณงามความดีข้างนอกเราก็จะทำให้เต็ ม, ม่ตลอดเวลาเราไม่ทำให้ปล้องยิ่งกิเลสเรายิ่งจะทำให้หมดให้ศูนย์เต็มคืออะไรกคือกิเลสมันหมดคือศูนย์แหมตลกเราเต็มแล้ว เป็นอราหันเต็มคืออะไรคือมีศูนย์แล้วคือไม่มีมันย้อนแยงในตัวของมันเองเห็นไหมมันย้อนตัวมันเองได้อะไรได้ความไม่ได้มีบุญคืออะไรมีความไม่มีมีบุญเอาตัวไหนออกได้อื้อนั่นแหะเป็นบุญมันไม่มีตัวนั้นะคือบุญเราละ มันจึงยากและมันก็เพียนมาจน ก, กระทั่งกลายเป็นตัวสิ่งที่จะต้องได้ต้องมีต้องเป็นคือบุญและกลายเป็นยิ่งสร้างหลอกเลยเป็นบุญเป็นวิมานเป็นสวรรค์อะไรต่อะไร ต, ต่างๆนานาที่เป็นคนมันไม่รู้อะไปสร้างวิมานสร้างหลอกสร้างอนาคตรสร้างอะไรต่างๆนานามาบอกว่าเนี่ยบุญคุณจะได้เมื่อคุณตายแล้วคุณจะได้เป็นสม บ, บัติติดตัวไปเมื่อนันเมื่อนี้ซึ่งเป็นของหลอกของไม่เห็นไม่รู้อะ ใช่ไหมก็หลอกไปมันก็ปั่นตัวใหญ่ตัวโตตัวอะไรอะคุณชอบงามมันก็เอาตัวงามมาหลอกแต่มันยังไม่เกินอะมันสร้างได้ทั้งนั้นอะศิลปินทั้งนั้นอะสร้างรูปสร้างร่างสร้างตัวสร้างตนขึ้นมาหลอกจะเอางามจะเอารวยจะเอาใหญ่จะเอาโตจะเอาพิสดารยังไงมันก็จินตนาการมันก็สร้างวิมานอะไรขึ้นมาหลอกได้ทึกเมื่อโลกทุกวันนี้ยังหลอกกันอยู่ไอ้คน โดยสื่อสารตอนนี้มีเครื่องหมยเครื่องมือทางโทรทัศน์ทางอะไรโอ้มันหลอง <c oughs> จเจ้าพวกคุณเยดูแล้วเนี่ยคนมันรู้ไม่ทันเนือยถูกพวกนี้นี่ต้มกลางสังคมกระจายทั่วโลกต้มโอ้โหและมันก็สอดคอ ล, ล้องกิเลสคน คนมันมากๆมักใหญ่มักตัวมักมักโตมักรวยมักรู้มักเขาก็หลอกว่าในคุณจะได้นู่นอนาคตอย่างนู่นอย่างนี้จะได้หลอกไว้ลุงอยากได้แค่หลอกได้มันคิดว่ามันจะได้มันเชื่อจะได้มันก็โอ่ตามมันก็เป็นธาตมันก็รับใช้ไปทีว่ามันจะได้มันมีหวังนี่นี เพราะงั้นเรามาทำเนี่ยมันก็เอาตัวบุรณาการมาอธิบายก็ทุกอย่างอธิบายอยู่ในนี้ได้ทั้งนั้นแหละสมรรถภาพก็คือความรู้ความสามารถย้อนอธิบายย้อนหลังไปสมรรถภาพนะความมีความชนานาญมีความ ร, มามรู้มีประสิทธิภาพอะไรต่างๆนานานของเราพระศาสนาพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ทิ้งสมรรถภาพไม่ได้ทิ้งความรู้ไม่ได้ทิ้งความสามารถเป็นแต่เพียงว่าเราหยุด เราสามารถในการทําทุจริตล้วก็หยุดสามารถทําการโกงแล้วก็หยุดสามารถเสพเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสพปน น, นนี้ที่มันไม่ควรจะเสพแล้วเลิกได้เราก็หยุดนะเพราะสามารถอย่างนั้นเราก็หยุดเราไม่ได้ทิ้งสามารถนั้น เรากลับถ้าเราหยุดอันโน้นเรากลับได้พลังงานที่เหลือที่มันต้องไปใช้เวลาที่เหลือแรงงานที่เหลือจากไอ้ที่มันแต่ก่อนนี่มันต้องไปรับใช้โลกธรรมไปรับใช้กิเลสพวกนี้หยุดมาได้มันกลับได้มาคืนนี่คือเศรษฐศาสตร์บทใหญ่ของพระพุทธเจ้า มันได้มาคืนแล้วมันก็นมาใช้เป็นประโยชน์ทั้งนี้อีกได้มาแล้วเราก็เอามาใช้เลยเอามาใช้ทางที่จะเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าแทนที่จะเอาไปทาทางทุจริตเอามาทำทางสุจริตเอามาทำทางกุศลเอามาทำทางดีงามมันก็รวยมันก็เกิดผลเกิดประโยชน์พวกผลขึ้นมามากมายน มันสมรรถภาพของเราไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนจเจริญขึ้นอีกทําได้มากทําได้ดีงานก็เบาลงพวกงานไอบ้บา้บาบบอมันลดลงไปก็มาทํางานที่มันได้สาระมีทั้งแรงงานมีทั้งเวลามีทั้งอะไรมันก็ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันสมรรถภาพไม่ได้ลดเลยของพุทธมันที่เรียนผิด นีออกไปห่างสังคมไม่เกี่ยวไม่คล่องมันมีคำคำหนึ่งที่คนเข้าใจผิดคือยินดีในการงานที่จริงไม่ใช่ยินดีในอารมณ์ที่ไปหลงการงานยินดีในอารมณ์ที่ไปหลงการพูดกรมมารมตายินดีอารมณ์ที่ไปหลงติดอารมณ์ไอหลงติดที่ไปความ ไอ้รามาตานแปล ว, ว่าความยินดีไปหลงความยินดีหลงเป็นกินเลสเสริมน ะ, ะไปหลงติดความยินดีในการงานแต่ไปตีความว่าถ้าผููใดไปทําการงานยินดีในการงานไปแปลกตื่นไปยินดีไปพอใจจะทําการงานพอใจจะทําการงานนั่นคือเสื่อมไอ้นี้แหละตีลังกาเลย พอใจในความยินดีในการงานไปหลงติดการงานน่ะหลงยึดหลงยินดีฟูใจในการงานน่ะยินดีในการพูดพัฒสารามตายินดีในการนอนการหลับไปเป็นรถนะ่ะเป็นรถซ้อนแต่ต้องมีนอนก็ต้องมีพูดก็ต้องมีอย่างอาตมาเนี่ยพูดมากเลยซ้ำไป ก็พยายามกันกันกันคนมากันคนมาแทนอะไรอยู่ได้เนี่ยไม่งั้นอัตมาก็จะพูดมากกันนี่ไม่ได้ยินดีในการพูดหรอกนะไม่ได้เกิดรสเกิดชาติหรอกนะเห็นไหมมันละเอียดเพราะงั้นมันถึงพังไงเข้าใจผิดไม่ทำการงานไปทำการงานมันเสื่อมเพราะั้นไม่ยินดีในการงานคืออย่าไปสนใจการงานการงานก็ปล่อยมันไปไม่ต้องทำคืนไปทำงานไปยินดีในการงานได้ไง เห็นไหมมันพาซือมันโง่เสอขนาดนั้นน่ะกัมมารามตาแล้วมันเสื่อมจริงๆเลยถ้าผิดไปยินดีไม่มีจิตวิญญาณไปไปกิเลสการงานก็ต้องทำสิทำการงานให้มันขยันมันเพียรให้มันสร้างสรรค์ในอย่างเป็นผลสำเร็จที่ดีทำไปเต็มที่เลยทำได้มากด้วย ก็ยิ่งดีสิ่งที่เป็นสุจริตกรรมต่างๆไม่เสียหายอะไรแต่ใจเรามีกิเลสไปหลงติดหลงยึดหลงยินดีในงานที่เราทำหรือไม่มันตัวนั้นต่างหากไปอ่านในพระธรรดสกกแปลชัดนะยินดีไม่หลงยินดีเพราะท่านไม่ได้บอกว่าหลงการงานนะ ยินดีในการงานท่านบอกหลงยินดีในการงานติดยึดในยินดีความยินดีในการงานยินดีในการพูดความยินดีมันปีคำนี้ในพระแตรปิดกก็แปลเป็นภาษาไทยก็ชัดอยู่เนี่ยมันละเอียดอ่ามันลึกซึ้งเพราะนั้นก็กระจาผิดเลยกลายเป็นคนไม่ทำงานไม่เอาทานพราะคืนทำงานนี่มันจะเสื่อมเมาทิฐิผิดอิปรา เข้าใจผิดกำหนดผิดสัญญาผิดนะมันสรุปแล้วของพุทธเนี่ยสุดยอดแห่งการขยันมันเพียรสร้างสรรการงานไม่ได้เสื่อมไม่ได้บกพร่องมีแต่จะชำนาญมีแต่จะทำงานได้มากขึ้นแต่เราเอาน้อยลงน้อยลงน้อยลงแม่มันเศรษฐศาสตร์บทนี้จะบุคคลเนิยในโลก ยิ่งใหญ่จริงๆศีลศาสตร์บทนี้ของพุทธเจ้าเนี่ยเพราะเราทําอยู่ได้เพราะอย่างเงี้ยเราอยู่ได้เราไม่ได้สะสมเราไม่ได้ไปเอาทุนไปต่อทุนใช่ไหมไม่ได้มีอะไรพระมือเข้าเนี่โอ้โหทบต้นอย่างงินอย่างนี้มาทับทวีขึ้นเป็นเท่าเ่กี่เท่ากี่เท่าไม่เลยไม่เลยไม่ได้เป็นระบบทุนนิยมเลยระบบบุญนิยมนี่โอ้โหสุดแห้งแรง สุดรีดสุดแห้งลงแห้งแรงเลยในวัตถุนะไม่ใช่เรื่องจิตใจมันแห้งมันแรงมันมันเหีเห่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงน้อยลงรีลงรีล ง, ลงสำหรับวัตถุสำหรับข้าคของที่จะเป็นตัวเป็นตนแต่มันซ้อนองค์รวมมันมากขึ้นเพราะเรามีความขยันกับสมรรถนะเป็นซับเรามีความรู้ความสามารถที่ไม่ได้หมดไปอย่างที่อาตมาบอกแล้ว สมรรถนะต่างๆ efficiency ต่างๆอะไรมันไม่ได้ลดเลยมันมีแตค่ความนอกจากจะมีความสามารถและความขยันมันเพียรด้วยเอาใจใส่คนขวายด้วยดูฮะดูหูแลงวันๆนึงโอ้เราไม่พักเราไม่เพียรเราก็อยู่ในภาวะสมบูรณ์ข้ามอกขะสงสารได้สมควรพักเราค่อยๆพักนอนนั้นก็อยู่กับเพียรมันจงมีการเจริญ ม, มีการอุดมสมบูรณ์ มีอะไรหมุนเวียนอยู่เยอะตลอดเวลาไม่ขาดไม่แคลนไม่บกไม่พร่องยิ่งทำถูกต้องยิ่งทำดียิ่งหมดทั้งขี้เกียจหมดทั้งเห็นแก่ตัวหมดทั้งอะไรเข้าไปอีกมีความขยันมันเพียรมีความสามารถสมรรถนะสูงอีกโอ้ไม่ต้องห่วงเลยพมาะซั์ที่มากที่สุดเจริญที่สุดยืนนานที่สุดใครก็แย่งไม่ได้ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือสมรรถนะเอฟ i c i e n c y กับความขยันนั่นแหละคือทรัพย์ของตนของตนจะจะแถมความขนขวายเข้าไปกับความขยันดีก็ยิ่งดีมีความขยันดูตาดูดูแลดูว่าเออเราความควรจะต้องทำอะไรควรหาอะไรทา เราก็มีเวลาเราก็มีโอกาสเราก็มีแรงงานแล้วก็มีความสามารถก็สร้างสรรค์ช่วยกันไปไม่ต้องคิดอ่านหา ง, งานก็ได้เพราะงานพวเรามีถมไป ม, มีงานให้ทำมีงานให้ช่วยเยอะแยะที่นี่ทํางานนี่แหละเนี่ยพวกเราเนี่ยมันเกิดความไม่สงบ ไม่สงบอยู่ที่การทํางานกันนี่แหละไม่ได้แย่งราบอย่างยศนะแต่แย่งอวิชากันแย่งขี้กะเธอรู้จะขี้กะเธอไหมสลิดขี้กะเธอในภาษาอีสานสเลิดแย่างขี้กะเธอ เสมหาแย่งอะไรไม่เข้าเรื่องเลย อ, อย่างทิฏฐิอย่างความเห็นอย่างอัตตาแย่งอริทรตละกันไปเท่า น, นั้นนหละลาบยศสัสนเสริญอะไรก็ไม่กระไรหรอกโดยเฉพาะลาบก็ชัดไม่ได้อยู่แล้วไม่เอาอยู่แล้ว ยศแล้วก็ไม่ได้มีแต่มันซ้อนอยู่บ้างยศมีตําแหน่งมีหน้าที่มีสิทธิ์มีอำนาจในตรงนั้นตรงนี้ยศก็มีบ้างแต่ก็ก็ยังไม่ชัดเท่าลาบลาเรานี่เออมือนมันก็ไม่เคยได้แย่งกันจริงจงนะแต่ส่วนยศอำนาจอะไรพวกนี้บ้างนิดหน่อย สั่นเริญก็ดูไม่อะไรนะพรอเราก็ดูดีสั่นเริญก็ไม่ได้อ ย, อยากเด่นอยากดังอยากเอาหนาห้าเอาตาอยากโดโดเด่ๆอะไรก็ไม่กอะไร น, นะจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยชาวโซนนี้อัตมาว่าโอ้โหเรื่องการก็ไม่จี้ไม่จ้าไม่จี้ไม่จาดอะไรหรลบลบกินเสียงสัมผัสรเรื่องเพจเรื่องอะไรพวกนี้ก็มันก็ มันก็เป็นออ่อมันก็เป็นธรรมชาติมันก็ขนาดประมาณนี้นะอาตมาก็วอกถ้าขนาดนี้ไปอีกห้าสิบปีร้อยปีโอ้โหรักษาอย่างนี้ไว้ได้ขนาดนี้นะเรื่องกรรมเรื่องเพรศเรื่องรูปรกสกลิ่นสัมผัสระขนาดนี้นอกจากคุณจะเจริญเพิ่มขึ้นคนมันจะมามากขึ้นมากขึ้นมันก็จะมีมวลเข้ามาซ้อนซ้อน อย่าให้มันมากตรงที่ว่าคนมาใหม่มันก็จะมากมาก็ให้มันลดลงพวกที่ได้แล้วลดลงอีกลดลงนี้ทวงทวงทวงทวงค่าเฉลี่ยแล้วมันก็ไม่มากขึ้นเอออย่างนี้ใช้ได้นี่ถ้าได้คุณภาพขนาดนี้ก็ดีเพราะว่าพวกรานี่จะสงบในเรื่องแย่งลาบก็สงบกันได้แย่งยศก็ไม่เท่าไร อย่างสั้นเซิรนก็ไม่เท่าไรย่างก้ามก็ไม่เท่าไรจะยังแย่งอัตตาอัตตามาณนะโอเจปคุณจะแย่งกันไปถึงน้อยขอความสงบหน่อยได้ไหมจหากการหยุดแย่งอัตตากันนี่แหละ โลมันแย่งหมดแย่งลาบมันก็ไม่สงบแย่งยศมันก็ไม่สงบแย่งสรรเสริญไม่สงบแย่งกามมันก็ไม่สงบแย่งกัตามันก็ไม่สงบเพราะมันไม่รู้มันไม่รู้พวกนี้พวเราที่เป็นนักศึกษาต้องรู้มันความสงบที่ว่านี่ไม่ใช่หยุดเฉยๆอยู่นิ่งๆเงียบๆแข็งตัวทุกคนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่อะไรไม่สร้างไม่สันไม่ทําอะไรไม่สัมพันธ์กันด้วยไม่เกี่ยวไม่ข้องกันด้วยต่างคนต่าง กิ่งคโครอยู่ตัวไปใครมันมันก็สงบดีเนาะยิ่งต่างคนต่างนั่งแข็งถือเป็นนิโรธสมาบัตนะผมลูกฟักกึงลงเวทไปเลยโกยทิ้งลงไปใส่ส้วมไปเลยกึงลงเวท ความสงบมันไม่ใช่ความเงียบความสงบไม่ใช่ความอยู่นิ่งๆความสงบคือมันไม่ใช่จริงๆมันก็อยู่ในตัวมันไม่ทะเลาะกันมันไม่เอะเทอมันไม่วุ่นวายอะไรเออมันก็สงบแต่มันจะสงบอย่างนั้นมันคืออะไรใจ แม่เราจะทำงานวุ่นกันอยู่เลยโอ้ยรื่นเรองเบิกบานสงบเสียงที่ลงชงช่างอะไรอยู่ก็ได้แต่ไม่มีการทะเลาะเบาแว่งไม่มีการแย่งชิงไม่มีการโอ้โหเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยคนละไม้คนละมือสนุกสนานดีงามสร้างสรรค์เป็นรูปเป็นลายแจกแหลกเลยมม่โอ้โหสนุกนั่นจะเกิดความสงบ สุดยอดความสงบเลยไม่มีเรื่องทีมาทำรายทำลายอะไรกันมีแต่ช่วยเหลือกเกื้อกูลกันแจกจ่ายเชื้อจานกันสร้างสรรกันขึ้นมานะจะไปเสียงดังทนได้ไม่หนวกหูนะแต่เสียงสร้างสรรเสียงดังไม่เสียงสร้างสรรไนถึงขนาดจะเป็นพิษเป็นภัยต่อสังขารร่างกายต่ออวัยวะล้วก็สร้างสรรไป ที่ลงอยู่มันจะดังดึงทชงชังๆมันก็สงบจะแบ่งจะแจกจะเกลือจะกูลกันยังไงมันสงบมันเข้าใจสันตะหรือความสงบหรือสันติเพี้ยนกันเนี่ยมันเพี้ยนจริงๆมันทือมันจะมันเพี้ยนหรอมันทือเข้าใจความสงบแทื่ออยู่แค่ไม่เกี่ยวอะไรก็ใครกระดูกกระดิกไม่กระดูกกระดิกไม่จะช่วย สงบนะอะไรก็ไม่เคลื่อนอะไรก็ไม่ไหวทุกอย่างนิ่งหมดสงบเสียงก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีดับหมดดับทื่อๆอย่างนะั้นคือนิโรธคือดับมันไม่ใช่สงบก็ไม่ใช่นิโรธก็ไม่ใช่สงบนั้นคือความ อยู่เย็นเป็นสุขความพรพร้อมในการสร้างสรร์เป็นอภิสังขารที่ยิ่งยอดยิ่งใหญ่ปรุงแต่งอยู่ทำซักอะไรตะไรกันอยู่นี่มันจะเกิดความเจริญพวงนี้ขึ้นมานะม่อเข้าใจชัดเพราะันกิเลสตัวสําคัญเนี่ยมันไม่มีมันจะมีความสงบที่โอโหเป็นความเจริญสร้างสรงสร์กอบกู้ ทำสิ่งที่ขาดที่แคลนสิ่งที่ควรจะมีอุดมสมบูรณ์กันมาโอ้โหเจริญมากมายนี่มันจึงเป็นความเจริญแท้สังคมสงบเจริญแท้เอาละพอสมควรในเรื่องของความสงบพีชพระราดระภาพหรือหรือพระรดรภาพ อย่าไปอ่านพระราดดระภาพพระราดรภาพมันอ่านยากอะทมา ก, ก็อ่านได้ดอนระภาพพระราดอนระภาพหรือความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นญาติอันนี้ยิ่งใหญ่เพาะเราเชาวโซนี่ทำได้ดีดีพอสมควรดีมากเลยมันเป็นสาธารณปรคี ญาติคือความเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นญาติจริงๆเป็นความเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆดูแลกันเอื้ออาทรกันช่วยเหลือเฟอื่อฟ้ากันช่วยกันสร้างช่วยกันทำซึ่งประสุดยอดนะได้ประมาณอย่างนี้กัน โอ้อตมาก็พอใจจริงๆแต่ดีกว่านี้อีกก็จะพอใจกว่านี้ใช่ไหมขนาะนี้ก็พอใจแล้วนะไม่ได้มากๆอะไรแต่มันดีกว่านี้ก็ดีสิก็ไม่ได้มากๆนะถ้ามันดีอะถ้ามันดีกว่านี้มันพัฒนากว่านี้ก้าวหน้ากว่านี้นะ อาตมาเองอาตมาอยู่แ80ดสิกว่าแล้วอาตมายังไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรยังตั้งใจเต็มใจจะขยันจะทํางานอยู่นี่เพราะเห็นผลอย่างงี้แหละเพราะว่ามันดีมันเป็นไปได้อาตมาไม่ได้มากมากบางอย่มันได้เท่านี้ก็เท่านี้ไม่เป็นไรแต่มันก็ดูเพิ่มเติมเพิ่มได้อยู่แล้วก็ขยายพยายามขยายเพิ่มอยู่เผยแ พ, พ่ไปตามควรอ่า ต, ตามที่ทํานี่แหละ อตตมาก็ทำตามที่เห็นเหมาะเห็นควรใช้สัพพุทธธรรมจริงๆตามเหมาะตามควรจริงๆก็ไม่ต้องย้ำอะไรมากกันนะความเป็นญาติญาติทางธรรมไม่ใช่ญาติทางสายเลือดเป็นญาติทางธรรมจริงๆและเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้จริงๆ เออเฟื่อเจือจานกันมีสภาพที่ะระลึกถึงกันรักกันเคารพกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันไม่มีวาดกันรวมกันพรั่งพร้อมสามัคคีเป็นปึกแผ่นเอกีภาวะพุทธพจน์เจ็ดนมยืนยันความเป็นพี่เป็นน้อง อยู่กันอย่างสารณียะอยู่กันอย่างเมตตาเกือ้อกูเมตตากายกรรมเมตตาวิจิกรรมเมตตามโนกรรมและก็มีสาธาราโภคีลาบเกิดโดยธรรมราพระธรรมิกาเสร็จแล้วก็ไปพัฒนากันไปด้ศีลสมัญสามัญญตาทิฏฐิสามัญญาต า, า, ญญ า, ตาไปเรื่อยให้มันเจริญงอก ง, งามเพิ่มขึ้นเรื่อยมันสุดจอดล้เนี่ยเอามาเทียบเอามาวัดเอามาเปรียบเอามายืนยันเอามาให้คะแนนตรวจสอบ อัตมาว่าเราได้คะแนนอยู่นะชาวโงคละเนี่ยสารณียธรรมนี่ก็ตามซึ่งมันวิเศษถึงขั้นสาธารณภคีเนี่ยโอ้โพยายามรักษากันไว้ให้เกิดสาธารณภคีที่เจริญงอกงามยังชื่อปุ๋ยของชาวโซกให้ได้ <c oughs> คุณประยุทธ์ยังโฆษณางอกงามให้เลย โดยไม่เจตนาต้องเอานี่เอาให้งอแงางอกงาให้พัฒนาเยอะให้งอแงงอแงาคือมันเป็นภาษาไทยที่มันเป็นความเจริญงอกงาการเจริญมันต้องใช้ส่วนความเป็นอิสระเสรีภาพอันนี้แหละ ความอิสระเสรีภาพกับความเห็นแก่ตัวนี่มันตัวเดียวกันเลยสำหรับคนงโง่อิสระเสรีภาพอิสระเป็นเนช่นใดใช่เห็นกันได้ง่ายโอ้โหต้องไปอ่านพิจารณาเพลงอิสระเสรีภาพให้ดีๆเข้าใจ อิสระเสรีภาพคือความไม่ติดยึดขาดความลดความติดยึดปลดปล่อยความติดยึดได้เป็นอิสระเสรีภาพปลดปล่อยความติดยึดไม่ได้หมายความว่าเราไม่สัมพันธ์เราไม่สัมผัสเราไม่ร่วมอยู่ด้วยเราไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่ใช่เพราะงั้นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไปแปลอสังสักคะก็ดี นิสัก ข, ขะเรวยว่าสังคณิกะกะด็ดีไปแปลว่าไม่เกี่ยวข้องโดยมูไม่เกี่ยวข้องไม่เกาะเกี่ยวอะไรพวกนี้ซึ่งมันหมายลึกมันหมายถึงปรามาสว่าจิตเราไม่ไปเกาะยึดมาเป็นเราเป็นของเราไม่ไปเกาะไปยึดมาเป็นเราเป็นของเรามันไม่ใช่เราไม่เกี่ยวสมบัติพวกนี้ของเราเปล่า ใช่ไม่ใช่สิมาถึงชิบหายางไงไม่เอาตาดูหูแลไม่รู้เก็บดูงําไม่รู้จักสร้างให้มันดมสมบูรณ์อยู่เห็นไหมมันซ่อนมามันไม่ใช่ไอความไม่เกี่ยวนี่คือจิตเราส่วนตัวเท่านั้นน่ะเราไม่ยึดว่าเราเป็นเราเป็นของเราแต่เราทําว่าเป็นเราเป็นของเ ร, เราร่วมสร้างร่วมรักษาร่วมดูแลเต็มที่เลยไม่ใช่ไม่เกี่ยว เกียวนะจะไปเกี่ยวเอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเร า, เ อ, าอันเป็นฐานะแห่งขโมยอะไรกั น, กนเกี่ยวนะแม้แต่สิ่งที่เราอยู่ในร่วมกันเราเนี่ยการงานการสร้างสรรค์สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเราเกี่ยวทั้งนั้นเน่เหมาะควรไม่เป็นโอกาสที่เราจะช่วยทำไหมเท่านั้นเองแต่ความไม่เกี่ยวนี่คือ อย่ายึดเป็นเราเป็นของเราเพราะยึดเป็นเราเป็นของเราจึงทะเลาะทะเลาะ ก, กันมันเป็นอัตตาขึ้นมาเลยยึดเป็นเราเป็นของเราเพราะยึดเมื่ อ, อไรปั๊มอิสระหมดทันทีทั้งนั้นนะยึดเมื่อไรก็คือหมดอิสระเมื่อ น, นั้นคำว่ายึดในภาษาบาลีว่าอาธานก็มีอาธานนี่เอาไปใช้ คำง่ายๆสองคำก็คืออุปาทานกับสมาทานถ้าสมาทานก็คือยึดอย่างสงบสัมมยึดอย่างสงบยึดอย่างกิเลสสงบละยึดอย่างมีปัญญายึดอย่างรู้จักการยึดยึดสร้างยึดสร้างยึดทำยึดเป็นประโยชน์ยึดสัมพันธ์อยู่ที่เป็นการเจริญงอกงามทำดีอยู่ แต่ไม่ได้ยึดมาเป็นเราเป็นของเราสตดุปทานนั้นมันไม่รู้เรื่องเลยมันโง่ไปหมดเลยดีไม่ดีจะไปเอาของเขามายึดมาเป็นของเรานน่นอะไรก็จะเอาตั้งแต่วัตถุเข้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้สารพัดมันจะเอาหมดอุปาทานยุดอะไรก็เป็นของกูหมดเลยจะเอามันตัวกูของกูให้มากแค่หมดไม่ พรอิสระเสรีภาพทางวัตถุนะมันจะซ้อนเมื่อกี้ถามแล้วนี่ของของเราบปล่าในบ้านของพวกนี้ของเราบป่าคุณก็บอกไม่ใช่ผิดเลยเห็นไหมเห็นไหมมันซับซ้อนนี่ยกตัวอย่างชัดๆมันช่วยกันดูแลมันช่วยกันสร้างสารรค์รักษาต่างๆนานาอ่า ไม่งั้นก็ไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรไม่เกิดอะไรมันจะไปเหลืออะไรล่ะมันมันคือมันผิดหมดนะผิดไปผิดอย่างหนักเลยอ่เพราะอิสระเสรีภาพคือความไม่มียึดเป็นเราเป็นของเรายึดตั้งแต่ลาบเป็นเราเป็นของเราแต่มีลากไหมก็เรามีสมรรถนะมีความขยันมันเพียร แล้วก็มีสิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วอาศัยอยู่แล้วเป็นสมบัติส่วนกลางมีลาบมียศอานาจคือสิ่งกำหนดงานการหน้าที่คืออานาจสิ่งที่มันระบุการงานหน้าที่นั่นคืออำนาจที่เรามีเรามีสมรรถนะเรามีความสามารถเราก็ไปใช้แรงอานาจคือแรงใช้แรงงานใช้อะไรกับอันนั้น เราต้องมีไม่มีแรงงานไม่มีการกระทาอะไรไม่มีอำนาจไม่มีพลังอะไรไม่ได้แต่ไม่ได้ยึดเป็นเราเป็นของเราเพราะจะลงทุนลงแรงอะไรกระทำประเด็นที่อาตมาเคยไขพูดที่ปฏิบัติทำแล้วโดยเฉพาะไปตำแหน่งนักบวชนักอะไรแล้วมีชีวิตทีป่ปฏิบัติทำแล้ว ชีวิตให้ผู้อื่นเลี้ยงไว้แท้ๆเลยอาศัยเขากินอาศัยเขาอยู่นะ เ, เป็นนักบวชเนี่ยอาศัยอยู่อาศัยกินปรปฏิปัฏาเมชิวิตกามีคำสอนหนึ่งมันซ่อนว่าอย่ารับใช้ขรรค์อย่ารับใช้ผู้ที่เราอาศัยกินอาศัยให้เขาเลี้ยงไว้นี่แหละแต่เราอยากดับใช้เขาก็คือไม่ช่วยเขาเลย นั่งกินนอนกินเลยเขาเอามาให้ประกเทนให้ทั้งนั้นเราไม่ช่วยอะไรเขาเดี๋ยวจะเป็นการรับใช้ช่วยไม่ได้มันถึงเจงไงศาสนาถึงเจงไงกลายเป็นศักดินากลายเป็นทาสกลายเป็นปริงดูดกินสังคมรับใช้คือการทาําแล้วงานทําให้เขาแล้ว คุณแรกเอาลาบยศสั้เสริญเอากามเอาอัตตาแรกเอาโลกธรรมรักแรกเอาอามิตรนั่นคือคุณรับใช้แต่ถ้าคุณไม่ได้แลกเอาสิ่งเหล่านั้นทํางานให้เขามันเป็นการสงเคราะห์มันเป็นคุณงามความดีมันเป็นกุศลมันเป็นสิ่งประเสริฐ ข, ของมนุษยชาติที่จะต้องทําคุณจะเป็นเจ้าชายคุณจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนคุณก็ทําให้เขานี่แหละแต่ไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยนมานี่คือไม่ได้รับใช้ แม้มันจะมีการให้ตอบแทนมาเป็นกระตันยูกระตวเวทีของเขาแต่ใจเราไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนเลยนี่คือเราไม่ได้รับใช้มันลึกซึ้งทุกวันนี้เข้าใจก็ไม่ได้ว่ารับใช้คืออะไรมันจึงพังไปหมดเลยนักบวชก็เลยกลายเป็นคนกินนั่งกินนั่งนอนนั่งรับ เอาเปรียบเอารัดไดแต่นี่ไดแต่ตบาปใส่ตัวพระทรามไม่คุ้มไม่ไม่ไมได้ทำงานให้แก่โลกให้แก่สังคมมันไม่คุ้มคุ้มที่เอาจากเขามันต้เป็นหนี้มากเลยเป็นหนี้มากเลยชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเราไม่คุ้มกินคุ้มใช้ เราไม่ได้ทํางานอะไรที่จะเป็นการสงเคราะห์เกื้อกูลสร้างสรรค์เป็นประโยชน์แก่โลกแก่ใครแต่ใครแต่เรานั่งรับนอนรับดีม่ดีเล่นอะไรต่อะไรไปผลานอีกแล้วก็รับเป็นหนี้อันทบไม่รู้กี่ทบกี่ชั้นเลยเพราะชีวิตมันไม่รู้นี่มันต้องเผื่อพอว่าเราต้องทํางาน รับใช้ให้มากเพราะ ก, การรับใช้เราพูดคำซ้อนนะครับพูดคำซ้เมื่อกี้เราต้องรับใช้ให้มากนะคือเราไม่ไปเอาอะไรแลกเปลี่ยนทำงานให้เขาทำงานให้เพื่อเพื่อผู้อื่นแต่เราไม่เอารอไรแลกเปลี่ยนนั่นคือการรับใช้ที่บริบูรณ์แต่ถ้าทำงานให้ใครไปแล้วเราก็ยังจะต้องการอยากได้นะแม้แต่อยากได้อยู่ในใจ ให้เขามาตอบแทนให้เขามาเคารพให้เขามานับถืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันยังไม่สมบูรณ์ในภาวะสัจจะที่แท้จริงที่ละเอียดลึกซึ่งทางนามธรรมาเราไม่เอาทางวัตถุตอบแทนแลกเปลี่ยนมาแต่เรายังจะเอาอะไรก็หมายรู้ ต้องให้เขาเห็นความดีต้องให้เขาเห็นว่ า, วาเราทำงานการขายันหมั่นเพียรเป็นคนมีคุณภาพเป็นคนมีอะไรอวดอ้ดอดอางอะไรก็แล้วแต่มันละเอียดธรรมะในมันละเอียดลึกซึ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจความหมายของมันด้วยมันก็เลยไปกันใหญ่เอาเอาละนะอิสระเอลีภาพก็สรุปนะ อิสระเสรีภาพก็คือไม่ยึดตัวตนตัวกูของกูถ้าอย่างยึดเป็นตัวกูของกูอยู่คนนั้นไม่มีอิสระเสรีภาพยิ่งยึดมาเสพยึดมาเป็นของกูจริงๆด้วยเลยนะโอ้ยิ่งไม่มีอิสระภาพเลยคนนี้รวยแสนล้านหอบไว้เลยคนนี้มันถูกผูกไวอะไรอุตโตคีเว ทนังปาเทภรยาหัดเทผูกไว้หมดตราสังลูกผูกคอสมบัติปุตโตคีเวทนังปาเทผูกตีนสมบัติผูกตีนผูกเท้าไว้เลยภรยาก็ผูกคอเลยหัดเทผูกมือไว้เลย พวกนี้แลวพวกไม่อิสระเอาละพวกเราอาจจะหลายผู้หลายคนไม่มีลูกไม่มีผัวไม่มีท่านังปาเทและท่านังที่ว่าสมบัติเนี่ยสมบัติวัตถุก็ไม่มีแล้วนะแล้วสมบัติอะไรทีนี่ทีนี้ที่ยึดไว้หอบไว้ ไม่อิสระสมบัติอะไรสมบัติบ้า <c oughs> โอ้สมบัติบ้านี่ลึกเนาะยึดจยางนั้นยึดอย่างนี้นน <c oughs> ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี่อะไรพวกนี้เนาะยึดจังคุณออกความเห็นคุณแสดงความรู้คุณแสดงความควรอะไรแสดงออกคุณแสดงไวเ้เถอะ แต่ยไปยึดเป็นเราเป็นของเราเขาไม่เอาตามกูกูก็โกรธเออโกรธไปโง่อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันยึดมันเป็นเราเป็นของมันไม่อิสระเห็นไหมอิสระมันก็นลึกซึ่งสุดยอดเลยนะเอาใครอยากได้อิสระก็เรียนดีๆฝึกตนดีๆ ไปผูกใครผูตัวเองผูกเองนะไม่มีใครพูกตัวเองผูกเองอวิชาโง่อวิชาคำเดียวพระเจ้ า, ออ า, านี่สุดยอดจริงๆอย่างเงี้ยสุดยอดนะอ่ะหมดเวลาเลยเวลาเป็นตังทุ่ม25้าแล้วเมื่อกี้นี่ก็ไม่มีคอสอชอมานะ เริ่มต้นหกโมงกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองเอาเริ่มเลยใครเอาเอาได้ไมโครโฟน้วด้วยเอาเลยไม่ดังไม่รู้ปิดเปิดปิดปิดอัตมาไม่รู้ด้วยละครเทคนิคเทคนิคเนี่ยนะกดปุ่มโทรศัพท์ยังไม่เป็นเลยค่ะกล่าวนมรการพรา ท, ท่านท่านสมนาเละ่าชิคมากค่ะ เารกระทพี่น้องทุกท่านคะ่ะบทนี้ดิฉันถูกจังเลยนะคะบทยึดดิฉันยึดมาตั้งแต่ศีษาโศกนะคะว่าตอนดิฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านดิฉันถูกแกนฟ้าเบรกอย่างจังไม่ให้พูดโอ้โหคุณมีหน้าที่นั่งฟังว่าอย่งง oh. อางนั้นโอ้โหดิฉันยึดไว้นานจริงๆนะคะท่าน ผู้พยาบาลไปเนาะผู้พยาบาลโอ้ยถ้าถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วพูดไม่ได้อย่างนี้เดีฉันไม่เป็นดีกว่าเดีฉันพยายามแล้วยาวตังบ้านเลยนาะขนาดยายตั้งบ้านนั้นยังไม่ให้พูดเนาะอุตส่าห์ตั้งเรามาเป็นผู้ใหญ่บ้านป่านนี้ยังไม่ให้เราพูดนะคะอันนี้ก็คืออัตตามานาจริงๆนะคะล้างไม่ออกค่ะแล้วกันล้างไ่ออกก็ซวยตายดิจะทำยังไงล้าไม่ออกพอมาได้ฟังพ่อท่าน บอกนี่แหละค่ะมาเรียนนี่แหละค่ะก็เริ่มพิจารณาเห็นเขาพูดไปเขาก็คงจะจบไปแล้วแต่เราผูกไว้ที่ใจเรานะคะโอ้โหมันแก้ไม่ออกนะคะตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็พอทุกเราลงแล้วค่ะกลับน้ำมาสการค่ะขออากาศครับผมถูกดักหน้าไปหลารทีล้ขออากาศครับอ้าว ออตอนที่เมื่อกี้นะครับช่วงที่พ่อบอกว่าการที่เราไม่โกรธเนี่ยเราก็ไม่แสดงพลังงานออกไปคนอื่นก็จะไม่ได้ผลกระทบใช่ไหมครับไม่ว่าจะโลภหรือราคะใช่มันได้ทั้งตนและท่านก็คือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแต่นี้ถ้าเป็นในแง่ของอัตตาเหรครับถึง <laughs> ือว่าเรารู้ว่าเนี่ยการการชนกันด้วยความดีความถูกต้องแต่เราก็ลดลดแล้วปุ๊บเนี่ย แล้วในประโยชน์ท่านเนี่ยเขาจะได้อะไรถ้าท่านใ น, ในอีกแง่หนึ่งมันเหมือนกับว่าไปเสริมให้เขามีอัตราเพิ่มครับรรมันมีภาวะสองด้านคอย่างี้แหะเยอะเลยอะไรเต่ว่มันจะเกิดภาวะสองด้านพวงนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเองเราลดอัตราของเราเขาก็ต้องควรลดรอัตราของเขาแต่เขารู้ไม่ทันเขาก็ไม่ลดอัตราของเขาแน่นอนเขาก็ต้องมีอัตราเช่นเดียวกันกเราขาย ตลาดอนุญาต ก, ก็ดีเราไปแจกก็ดีเราจิ้งแจกเขาก็ยิ่งโลภใช่ไหมเรายิ่งแจกเขายิ่งโลภเราก็ยิ่งดีเราก็ยิ่งได้ให้อะเขาก็ยิ่งโลภถ้าจะพูดอย่างนี้เราก็ไม่ต้องนาแหกใครกันพอดีใช่ไม่ไมไม่ได้เราก็ต้องเออพยายามจะทําอย่างไรที่จะให้เขารู้ตัวว่าเออคุณรับไปก็ยันโลภ คุณรับไปคุณก็ต้องรู้ตัวว่าเอออันนี้เป็นคุณงามความดีที่เขาทํากับเราถ้าเราไม่สมบูรณ์สมควรจะรับเราก็ไม่รับจําเป็นต้องรับก็รับมารับมาแล้วเราก็ไปทําประโยชน์ขยายผลต่อไปอื่นๆมายึดเป็นเราเป็นของเรามันต้องจริงต้องชัดอย่างอาตมาเนี่ยยืนยันจริงๆเลยอ่า ใครเอาเงินมาทําบุญกับอาตมาอาตมาก็พูดไม่รู้กี่เที่ยวแล้วพูดต่อได้ไหมไม่ต้องให้อาตมาพูดพูดไม่รู้กี่อาตมาก็มั่นใจและอาตมาก็ทําอย่างนั้นมาตลอดทุกวันเนี้อาตมาถือว่ามันไม่มีปัญหานะมันยอดเยี่ยมแล้วมันดีที่สุดแล้ะเราไม่ต้องยึดเป็นเราเป็นของเราให้มาก็รับแล้วก็เอามาไปทํา จะมาอย่าว่าแต่รับนะเรารับด้วยมือด้วยอะไรเฉยๆแต่เราจะเอามาบำเพอตัวเองเอาตมาก็เคยพูดไม่รู้กี่ทีถ้าอาตมาจะไม่มีข้าวกินเลยนี่มีเงินเขาโอ้โหนี่เขาทำบุญทาบริจาคมาเยอะทานมาบริจาคมาก็ามีแต่อาตมาจะไม่ใช้เงินนั้นแม่ป่วยแม่เจ็บจะตายเงินนี้เขาให้มา บอกให้ให้มาทานมาขาดแล้วบริจาคมาขาดที่อยู่ในมืออาตมาเนี่ยแหละแม่ป่วยอาตมาก็ไม่ใช้เงินนี่เพื่อนั้นไปเนี่ยรักษาพยาบาลอาตมาไม่เคยควักตังนีตังที่เขาให้มาอยู่ที่อาตมาเนี่ยอาตมาไม่เอาไปใส่ส่วนกลางทั้งนั้นไปโรงพยาบาลแบบไปซื้ออยู่ซื้อยารักษาโนนนี่อาตมาไม่เคยควักหรอกไม่ออกให้ก็ไม่ต้องไปจะไปก็ขาด ใครอนุเคราะห์กว่าไปแต่เขาก็แย่งกันออกอยู่นะตัวันเนี้จะกินก็ตามจะเปิดปวดจะเจ็บจะใช้เข้าไขครองอะไรก็ตามเนี่ยตั้งนั้นสมบัติอะไรเนี่ยไม่เอาเพื่อตัวเองไม่เอาถ้าเพื่อส่วนกลางเอาเอาหาให้ส่วนกลางนู้นนี่มาก็เอาเขใช้ก็ทําทําเพื่อส่วนกลางอีกแหละ ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองไม่ได้ทำว่าเครื่องมือนี้มาใช้เพื่อที่จะบําเร็ตนเองเพื่อจะได้อะไรมามันซ้อนต้องละเอียดที่ดีครับอขอขอนุนิดครับแล้ว<อ>ในแง่ในแง่อัตราล่ะครับอัตราที่มันชนกันเนี่ยครับในเมื่อเราลดนะครับอ่าดีเราสิเราได้เราได้ไดใช่ไหมแล้วท่านแล้วประโยชน์ท่านนี่พ่อจะได้ก่อนอย่าพลาประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม่มาก คําสอน น, อ น, น, อ น, นี้อันนี้ก็จะทําให้เราวางใจได้รเราจะตัดได้ตรงเนี้อย่าพราดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากแม้จะทําประโยชน์ผู้อื่นมากแต่ประโยชน์ตนเสียอย่าทําต้องรอจนกว่าเขาจะมีปัญญาเห็นใช่ถ้าเราทําให้เขากำบัญญยบัญญังได้เราก็ได้ประโยชน์เราลดได้แล้วเขาก็าสํานึกเขาก็รู้ตัวเขาก็ลดเขาก็ดีไปก็จะทําให้ได้อย่างงั้นแหละครับ จระโยชสองสองสอง ส, ส่วนอ้าวใครต่อที่ได้มันโฟนแล้วอ้าวทำไมคุณดันไม่โฟนแลเอาเลยเห็น <He en S 1> ยกมือตั้งก่อนใครแล้วแต่ถูกตัดหน้าไปเรื่อยเอา้าก้ารเ ข, า ข, าขา้ากาค่ะดังล่คืออยากเรียนถามเพราะท่านค่ะมันยังเป็นเรื่องของการกางเต็นท์อยู่นะคะ <c ười> วันนี้เรียนไปอุทยานเพราะว่าจะไปดูสถานที่ที่ ที่ตัวเองต้องมีส่วนรับผิดชอบคือโต๊ะกลางค่ะว่าเราจะมีรูปแบบอย่างไรและก็จะได้ไปทำความเข้าใจกับพี่น้องตรงนั้นเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าก็ได้มีการคุยกับดินดอนอดินดอนก็ถามว่า เ, เรื่องกลางเต้นเนี่ยพี่เวฟฟ้ามีความคิดอย่างไงแม้เราจะได้ที่ประชุมอนุมัติแล้วว่าเราจะกลางเต้น1เลนและเป็นรูปตัวเอใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแต่ถ้ายัง การขยายของกิจกรรมหรือคนยังลงไม่เต็มที่เนี่ยเรากางสักด้านหนึ่งก่อนดีไหมแล้วอีกด้านหนึ่งทางด้านถนนทางด้านตรงทางด้านนู้นราไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะคะมันจะไม่ทันการมันฉุกหลงหชุกลงหคนมันเยอะขึ้นมาอะไรมันก็ทํายากความยากถ้างงินก็ไม่มาะมันไม่เสียรายอะไรหรอกทางเต็มเนยนะไม่เสียรายหรอกพวกเราคิดตรงกันนะคะที่ท่นกาดินดอนตรงกันค่ะคือเรา เราแค่เลนเดียวเหลือไว้สามเลนเหลือไว้สามเลนใช่ไหมที่เราทำเนี่ยคิดว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าไม่เป็นไปตามมติเต็งที่เลยนะคะกลับมาพูดกันอัตมาก็ดูแล้วว่าเออเหมาะสมพอได้เราออกไปเลนเดียวอีกสามเลนอยู่สวนกันได้แล้วอีกอันหนึ่งเขาอาจจะต้องใช้จอดจักรยานจนอะไรอะไรก็ยังได้ครับ Oh. Oh. เอาเขาโอกาสค่ะเพราะท่านเมื่อกี้มีอยู่คำานึงคำว่าความยินดีในการงานนะคะ oh. เมื่อกี้พ่อบอกว่ากมารามตาภาษาบาลีใช่คะเพราะท่านบอกว่าอมันเป็นกิเลสหลงตัวยินดีหลงยินดีในการงานเนี่ยถ้าเราทำการงานด้วยความไม่ได้ติดการงานไม่ได้หลงการงานไม่ได้ยึดการงาน ไม่ได้อะไรแต่ไรไปมันมีหนึ่งถ้าไม่ได้ทำงานนี่เราทุกข์เพราะเรานี่มันยากอยู่บ้างตรงที่ว่าเราทำงานแล้วเราไม่ได้อะไรจริงๆแต่คนโลกเขาหลงยินดีในการงานนี่เพราะเขาได้สิ่งตอบแท น, นเขาได้สิ่งตอบแทนมันก็เล ย, เ, ลยเขาก็หลงแล้วเขาก็ เ, เขาก็พอรู้ง่ายแต่พวกเราเนี่ยเราไม่ได้สิ่งตอบแทนอะไรแต่เป็นวัตถุ ว่เลยไม่ไม่เป็นกิเลสใช่ไหมคอ่าแล้วทีนี้งานกระใจของเราเนี่ยเราไปติดการงานเป็นหลงการงานไปชื่นชมยินดีไปผูกพันกับการงานจริง จ, งงจังกับการงานจนกระทั่งใครมาแตะใครมาข้ามใครมาทําผิดใครมาอะไรอะไรอารวาสจะไปหมดอย่างนี้เป็นต้นมันจะอรารวาสใหญ่เลยมันจะมีเรื่องบานปลายไปอีกเยอะเลยถ้าเรายุดแต่ถ้าเราดูพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอ ด, พมอพอดีมันไม่เสียหายอะไร สร้างสรร์มันต้องยึดที่ต้องสมาทานต้องยึดในสิ่งที่เป็นไปอย่างควรสร้างสรร์ก็ต้องสร้างต้องสรร์ต้องทำกรรมการงานถ้าไม่ให้ยึดการงานเลยไอปฏิบัติธรรมนี่คือกรรมทั้งนั้นคือการงานทั้งนั้นเลยอาชีพนีก่การงานแท้แท้เลยอาชีวกรรมมันตักคือการกระทําการงานทั้งหมดเลยกรรมมันตักคืองานทุกอย่างวาจาคืการงาน คือกรรมมันตางในรวมทั้งการกายการกระทําทางกายการกระทําทั้งวาจาการกระทําทั้งใจกรรมมันตานี่แม้แต่ใจก็เป็นการงานการกระทําทั้งนั้นเพราะถ้าบอกว่ายินดีในการงานก็ไม่ต้องยินดีในการคิดมันทึกงพาซื่อกันไปหมดเลยไงปฏิบัติธรรมไม่คิดไม่พูดไม่ทําอะไรมันเป็นกรรมเป็นการงานหมดขัดแย้งกับคาสอนรู้จ้าหมดเลยมรรคองแปดพังสิบาหมดเลย ไม่เหลือสักสำ ก, กปะวาจารกรรมมันตางอาชีวะมิจฉาหมดเลยเละเลย ค, ค่ะคนคะเพราะท่านเข้าใจแล้วค่ะอะไรนะผู้ เ, นะเป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีเห็นไหมเปผู้เป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดียินดีในการงาน คนควายในในความเป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีจะค้นขวายหรือว่าจะทำการงานแล้วแต่มันมีตัวหลงยินดีตัวนี้ตจดยินดีเนี่ยมันซ่อนน่ะมันยากอารามตารหรือรามตามแปลว่าความยินดีมันมันมันสื่เกินไปจากความพอเหมาะพอดีของมันความควรของมันอ้าต่อ ครับขอโอกาสครับผมหินแสงชาวหินฟ้ากราบน้ำมสการพ่อครูสมณะและสิทธามาตเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับมออผมก็ร่วมประชุมแล้วก็เห็นว่าเราก็มาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็แถมยังมีการลงมติที่จริงไม่น่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่า ลงมติอยู่แล้วใช่ไหฮะแถมพ่อครูไม่ใช่สิมันไปกําหนดผิดสัญญากันคนละอย่างเนละครับสัญญาที่มันทะเลาะ ก, กันนี่มันมีสัญญาอยู่ว่าอันหนึ่งปิดหมดทั้งถนนเลยอันหนึ่งปิดแค่เลนเดียวก็อเท่านั้นแหละที่มันทะเลาะกันอยู่ตอนเนี้ครับอันนี้เราที่นี้มันไปเป็นมติที่ว่าไปเห็นปิดทั้งถนนนี่มาก ไอ้ปิดเลนเดียวนี่น้อยและมติปิดทั้งถนนนี่มากกว่าชนะอันนี้สิฮะอ้าวนั่นแหละนั่นแหละมันพังตรงนี้ลงมติแต่ว่าไม่ปิดก็ไม่ปิดเท่านั้นใช่ไหมแต่ไปกําหนดสัญญากันคนละพบไงของใครของมันไอ้คาว่าปิดนี่คือปิดแต่ปิดเลนเดียว ก็ปิดปิดมันหมดทั้งสี่เลนเลยอไม่ไม่วันปิดสี่เลนกับเลนเดียวนี้ไม่มีปัญหานะคะพ่อ อ, อ้าวก็คุณก็คุณน่ะ <c oughs> ก็คุณไงแต่ทีนี้คนอื่นคนนั้นอะเพราะฉะนั้นคนที่ไปยึดติดตัวนี้แหละรวนครับคนที่ไปยึดติดแลปิดหมดทั้งก็มันเราปิดเลนเดียวอยู่แล้วก็ทําแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าใครตรงอันนี้มันก็จะไปรวนทําไม<อ>คนรวนก็คือคนไปยึดว่าจะต้องปิดสี่เลนนี่สิ เนี่ยเนี่ยคนรวนถ้าไปเห็นว่าอา้ายึดว่าปิดเลนนึงเออเขาตกลงกันแล้วแล้วก็ทําแล้วมาตีนี้ว่าปิดก็คือปิดเรนเดียวใช่ฮะอาเขาลงมติแต่ว่าปิดก็ไม่ปิดก็ปิดก็ปิดเลนเดียวเนี่ย ถ, ถ้ากําหนดหมายตรงกันไ ม, ไม่ไม่ด้พูดกัชัดตรงนี้เท่านั้นเอง mm hmm. มันก็เลยเกิดการรวนเมื่อไม่ได้พูดกันก็ไหนว่าปิดไงไหนว่าปิดไงทําไมมันยังเปิดอยู่ตั้งสามเรนน่ะนี่ความรวนตรงเนี้ย ซึ่งจริงๆอาตมาว่าไอ้ที่ยกมือ40สบกับ14เนี่ยผู้ชนะ4ี่สนี่คือปิดผู้ที่ไม่ปิดนี่ส4และไม่ปิดนี่คืออะไรไม่ปิดเลยกับปิดและมันยังไปซ้อนให้ปิดนี่คือปิดเลนหนึ่งกับปิดสี่เลน มันก็เลยรวมกันว่าผู้ไม่เห็นด้วยในการปิดนี่ส่วนหนึ่งเพราะปิดเลนเดียวววก็ไม่เอาปิดสามสี่เลนวัก็ไม่เอานี่ส่วนหนึ่งที่รวนมนันก็เลยมีพวกมากหน่อยหนึ่งเพราะไม่พวกนี้ไม่ปิดเลยพวกหนึ่งและพวกอีกพวกหนึ่งก็คือปิดเลนหนึ่งกับปิดมาทั้งสี่เลน เพราะฉะนั้นน่นหละจากอันนั้นที่จะบอกว่าจะปิดสี่เลนนั่นหนึ่งกับพวกที่บอกว่าไม่ปิดเลยสองพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นมากแต่พวกนี้สัญญาไม่ได้พูดกันไม่ได้พูดกันออกมาแล้วก็เลยยึดกันและยึดแล้วรวนรวนจริงๆมันมีมากมีน้อย ก, กันเราไม่รู้แต่มันรวนแสดงว่านั่นแหละอัตตามันรบเอามารบเอามาอารวาส นี S <S ่ปรากฏการวิชาดาม <S 2> <S 2> <S 2> ปรากฏการวิชารามจะเรียกปรากฏการวิชาก็ได้เป็นเรียกปรากฏการวิทยาตามที่เขาตั้งก็ไม่ว่ากันถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็ไม่มีคำวิชาหรือ ว, วิทยา phenomenology phenomen phenomenology Ph Ph ครับ เพราะว่าก่อนแล้วพ่อครูก็ยังให้เคสวิชาว่าใครยอมก่อนคนนั้นชนะอันนี้ให้มันนานแล้วก็ยังเอาแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเชื่อไม่ก็จะทำกลัวมันจะเป็นยังไงไม่รู้กลัวมันจะเป็นสุขหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอยากทุกข์ก็เอาไว้สิเอาไว้เลยเอาไว้ในรันดอนเลย ซึ่งฟังง่ายๆอยู่แล้วเข้าใจง่ายๆเราก็ยอมก็จบใชะอุตส่หาห์ให้แล้วเอเวลากิเลสขึ้นนี่มันไม่ฟังใครข้อสําคัญนี่นะอาจารมาพูดซ้ามากมายว่าในกลุ่มพวกเรานี่นะเป็นคนดีนอกจาเป็นคนดีแล้วยังเป็นพวกที่คัดมาแล้วว่ามีปัญญาพอรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะ เป็นคนดีด้วยรู้อะไรควรไม่ควรด้วยมีปัญญาพอรู้อย่างนั้นจริงๆให้เกียดกันหน่อยเถินนะเมื่อหมู่มากส่วนใหญ่เขาตัดสินแล้วนี่มันไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าเราคนเดียวจะไปสู้กับหมู่ได้ยังไงอ่าแต่คราวนี้เนี่ยมันผิดเนี่ยสี่สิบคะแนนให้ปิดแต่ไม่ได้ระบุสิบสี่คะแนนนะไม่ปิดนะ พระพวกที่ไม่ปิดเนี่ยก็คือไม่ให้ปิดสักอย่างเนี่ยเป็นเล่เดียวก็ไม่ได้อันนี้ที่มันซ้อนไม่รู้เป็นใค ร, ครพอไปปิดเขาก็เลยสุดท้ายาก็ต้องตัดสินปิดกัน เ, เลนหนึ่งใช่ไหมมันก็เลยเป็นปิดไงไอ้พวกที่ยึดว่าไม่ปิดเลยเนี่ยโอเคขอบคุณครับขอโอกาสคาบค ขอโอกาสค่ะเนียนใจค่ะ <c oughs> เ, เรื่องเรื่องออที่ว่าโหวตกันนี่ดิฉันตกข่าวหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ดิฉันได้ยินได้ยินแค่ว่าขยายหรือไม่ขยายนะคะ แต่เรื่องปิดไม่ปิดนี่ที่ฉันไม่รู้รายละเอียดต่อเพราะว่าพอดีมีเจ้าหน้าที่ที่ว่าประเมินมานะคะก็เลยยุ่งยุ่งอยู่กับเรื่องการประเมินกันนะคะก็เลยไม่ได้ตามข่าวแต่ว่าแหละขยายหรือปิดก็เหมือนกันขยายออกไปก็คือขยายออกไปกี่เลนขยายออกไปเลนหนึ่งขยายออกไป4ี่เลนเลยมันก็คือปิดหมดขยายไปเลนเดียวก็คือปิดแค่นี้ค่ะทีนี้ขอค่ะก็ก็คงตามตามไปนะคะเพราะว่าไม่ได้ตามข่าวนะคะ กันั่นแหละครัว่าขยายหรือปิดมันก็มีความหมายเดียวกันภาษาเั็นคนละคำเท่านั้นเองขยายก็คือออกไปเรนหนึ่งหรือออกไปหมดเลยทั้ง4ี่เรนถ้าขยายเป็น4เรนก็คือปิดทั้งหมด4ี่เรนถ้าขยายเลนนึงก็ปิดเลนหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ก็ได้ยินว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าให้ให้ปิดไปทั้งหมดนะคะวันนั้นที่เท่าที่เข้าใจนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวทีฉันเองไม่ได้ตามแต่ว่าฟังแค่วันนั้นน่ะก็ยังเข้าใจว่าไม่ได้ให้ปิดหมดนะคะ เพราะเรายังพุยกันเลยว่าคุณได้ยินค่ะคนอื่นเขาไม่ได้ยินก็เขากระเทือนเขาค่ะเขายังเข้าใจอย่างนั้นอยู่นะคะค่ะคุณได้ยินก็ดีแล้วค่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าได้ไปฟังทบทวนพวอครูในมีอยู่คำหนึ่งพวอครูบอกว่าถ้าคุณก็ได้ยินอย่างงี้นะแสดงว่าคาว่าปิดเนี่ยและก็ยกโหวตได้ทั้ง40นี่นะแสดงว่าคนที่เข้าใจว่าปิดเลนเดียวเนี่ยมันเยอะ ที่สี่สิบเนี่ยใช่ค่ะเพราะไ้คนตัวรวนจริงๆนี่ก็คือคนไม่ปิดเลยนี่แหละตัวสําคัญค่ะเพราะที่ฉันยังได้ยินรายละเอียดไม่ปิดเลยนี่แหละตการตัวการใหญ่คเลยปิดสี่เลนเนี่ยอาตมาว่าก็คงไม่ทช่อะไรหรอกของพวกพูดกันง่ายนะปิดสี่เลนเนี่ยนะเขายึดว่าต้องปิดสี่เลนเนี่ยนะแล้วก็ปิดสี่เลนคนที่บอกไม่ปิดนะไออย่างนี้เข้าใจง่ายบอกอานทีจริงเขาปิดเลนหนึ่งก็บอกอ๋อเรอ ก็แล้วไปเธอไม่ได้ปิด4ี่เลนเขาทีา่เขายื่นจะเปิดสี่เลนเขาก็ไม่เอาเนี่ยแต่ปิดเลนเดียวเขาก็ไม่หวาอะไรกันง่ายง่าเพราะยังได้ยินอาจารย์พูดได้ซ้ําไปว่าเราจะใช้เต็นต์อันเล็กกันค่ะไม่ได้ใช้เต็นต์อันใหญ่ด้วยก็เลยงงๆนะคะค่สะสรุปแล้วก็มันมีอัตราแล้วกันมันมีคลื่นเกิดจริงอ่ะค่ะค่ะเพราะใครรู้ตัวก็แก้ไขค่ะค่ะทีนี้จะจะขอพูดในเรื่องของคําที่ว่าไปทบทวนฟังทำของพ่อครูที่เทศไปแล้วนะคะมีอยู่ตัวหนึ่งพ่อครูบอกว่า ตัวกิเลสเนี่ยมันจะเกิดในปัจจุบันเท่านั้นนะถ้าผ่านไปแล้วนี่ตัวนั้นนไม่ใช่ไปละอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอเอเอาอธิบายตัวนี้ฟังค่ะค่ะกิเลสมันเป็นตัวปัจจุบันมันมีเหตุปัจจัยสัมผัสแล้วมันก็เกิดถ้ามันไม่เกิดเขาเรียกอนุสัยเขาเรียกวิบากอกุศลวิบากมันกองอยู่มันไม่เกิดมันไม่เป็นบทบาท เพราะฉะนมมันไม่เป็นบทบาทถ้ามันไม่เป็นบทบาทอย่างนี้เป็นนี่รันดอนมันก็ไม่มีเลยใช่ไหมแต่ถ้ามีขึ้นมาเมื่อใดนั่นเราเรียกมันว่ากิเลสใช่ไหมนึกออกไหมแม้มันมีเป็นวิบากเป็นอนุสัยวิบากคือผลเป็นกิเลสของคุณนะะคือมันเป็นผลยึดอย่างงี้เป็นอย่างงี้คุณก็ยึดที่ผิดนี่ไว้แต่คุณก็กองไว้คุณไม่ได้ออกบทบาทอะไรเลยมันไม่ไม่ได้มาหนึ่งมันบทบาทเมื่อกระทบออกมาข้างนอก สองมันไม่มีบทบาทออกข้างนอกมันบทบาทขึ้นคิดเองดึงขึ้นมาเองมันไม่นิ่งๆอยู่คุณก็ไม่อยู่คุณไปปรุงมันขึ้นมาเองกิเลสมันก็เป็นกิเลสในใจของคุณเองดีไม่ดีมันก็ โ, โหฟูมฟักมันอบโอ้โหอ้วนพีมันจังแรงขึ้นแรงขึ้นก็ได้นะโดยที่ตัวเองฟักเองอแหละเพราะฉะนั้นก็ทั้งส่วนในที่มันฟักเองกับทั้งส่วนนอกที่กระทบแล้วเกิดมา นี่แหละค่ามันค่ามันมันเป็นตัวจริงไงมันเป็นตัวเกิดเห็นจริงจริงระลับเมื่อค่ามันได้จริงๆจงกระตั้งคุณค่าได้เป็นวิปัสสนาญาณที่ค่ามันนะถ้ากดข่มยเฉยมันก็ได้องไรได้โชคราวแล้วมันก็ไปหมกอยู่ในอนุสัยเป็นวิบากจิตอกุศลวิบากอยู่อย่างเก่าอ่ะมันยังไม่ได้ล้างเพราะกฎล้างใ้วิปัสสนาวิธีนี่หมดได้หมดได้ไม่ไมันก็คือล้างความจริงไง แกตัวนี้ได้จริงมันก็หมดไปหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปในอนุสัยมันก็ไม่ได้เพิ่มแต่มันมีวิบากอยู่เก่าทั้งนั้นน่ะวิบากอยู่เก่ามันจะถูกไอ้ที่เรามีปัญญามีความรู้แล้วรู้แล้วรู้ทันมันเนี่ยเพราะฉะนั้นแม่มันจะอยู่เป็นอนุสัยมันจะไม่ได้หายสมมติว่ามันยังอยู่จริงๆเลวมันก็ออกบทบาทมันจริงนะมันเพิ่มขึ้นมาเมื่อไหร่คุณมีปัญญารู้เลยคุณไม่ให้มันขึ้นมาหรอก นี่คือลักษณะของอนาคามีอนาคามียข้างนอกไม่ต้องไปพูดเลยกระทบจัมปันข้างนอกไม่มีแล้วอนาคามียเนี่ยไม่เกิดเพราะกิเลสปัจจุบันไม่มีมีแต่กิเลสมันขึ้นมาพอมันขึ้นมาก็จัดการล้างที่คุณจะไปจัดการคุณก็วิปัสสนาญาณว่าไม่ใช่ของเรามไ่เที่ยงมันไม่ได้คุณก็ล้างคุณไปตามที่คุณรู้จักแล้วมีปัญญาที่มันค่ามันค่ามันค่ากิเลสปัจจุบันได้เท่าไหร่ คุณก็ค่ากิเลสมันขึ้นมาเมื่อไรก็ปัจจุบันเมื่อนั้นแม้ในกตัวของเราเองเป็นอรูปราคะอรูปราคะหรือเป็นมานะอุทจจจะเป็นมานะเป็นอัตตาก็ตามมันขึ้นมาอยู่นี่คนอื่นก็ไม่รู้ตัวมันหรอกมันเกิดเมื่อไรถ้ามันไม่แสดงออกมาลีลาข้างนอกมันก็ไม่รู้แล้วอัตตาแต่มันออกมาแสดงลีลาข้างนอกคนก็จับได้คนที่รู้ทันคนไม่รู้ทันก็ก็ไม่รู้มันเป็นอัตตาเพราะมันไม่รูปเทก่อนแต่ถ้าเผื่อว่าคุณไม่ให้มันออกมา มันก็ลงไปหมกคือเป็นอนุสัยหมกเป็นอนุสัยคุณไม่ได้ล่ามันคุณไม่ได้สํานึกคุณไม่ได้ตรวจสอบมันคุณไม่ได้แก้ไขมันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะรู้ให้ทันแล้วพิจารณาเฮ้ยเองอย่าย้ำถ้าปัญญามันมีพลังงานสูงแล้วย้ำขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บมันพอดีนามันมันฟอเลยมันก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงจนกระทั่มันเบาบางเบาบางเบาบางเองแต่ถ้าเผื่อว่ามันไม่ออกมาข้างนอกมันไม่พิษไม่ภัยใครนี่ นอกจากมันคือไอสวะของคุณอยู่ข้างตัวคุณเองเท่านั้นเองใช่ไหมมันก็เหลือไอเศษขยะเศษสวะของคุณเท่านั้นแหละคุณก็หมักมันเป็นอนุสัยไปอยู่เงินเรื่อยตลอดกาลนานหมักหมมเน่าในพระเจ้าท่านเสด็จมหมักหมมเน่าในเพราะครูก็พูดบอกว่าอันนี้มันจะพอถ้าเกิดสมมติเราไม่ฆ่ากิเลสในปัจจุบันปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ถูกฆ่าปุ๊บมันจะเก็บออกไปเป็นวิบากของเราเลยติดไปอยู่ในอุปทานเลยเจนิบากจิต เรียกว่าอนุสัยหรือจะเรียกวิบากจิตก็ได้ดีก็เป็นวิบากแต่ดีมันไม่มีปัญหานี่ค่ะแต่เป็นกุศลจิตมันไม่มีปัญหาแต่เป็นุีกุศลเนี่ยอกุศลและใจตเศษเนี่ยเป็นวิบากสะสมมาอยู่เนี่ยเป็นอยู่ในอนุสัยไม่ออกบทบาทไม่ออกบทบาทมันก็อยู่ในคนเบื่อเป็นอนุสัยหรืออาศวยอยู่อย่างนั้นค่ะข้อนี้ข้อนี้เป็นเป็นข้อคิดอย่างนี้ค่ะพ่อครูทําให้เรามีความรู้สึกว่าอู้ถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ไม่จัดการกับกิเลสตัวที่มันแสดงตัวออกมาให้เราเห็นเนี่ย มีความรู้สึกว่าโอ้โหแล้วมันก็ติดเราไปตลอดเลยแล้วพอคุณพูดกีชาติกีชาติมันก็อยู่มันเหม็น่าเรา้มันได้ล้างอะยังไงมันก็จางไปหมกีชาติด้วยพ่อจะนำวิธีเป็นนั่งหลับตาสะกดสะกดนี่มันไม่ได้เกิดตัวจริงมาให้คุณฆ่าเลยคุณไม่ได้ทําแม้มันคิดคุณยังกดหัวมันไม่ให้มันคิดเลยวิธีของนั่งหลับตาสมาธินะถึงบอกว่าไม่ใช่วิธีล้างเลยวิธีนั่งหลับตาสมาธิ มันเกิดมาคุณก็มาล้างคุณกดหัวมันไม่ใช่ของอภัยมันเกิดมามันโผล่มาคิดออกมาในใจไอ้ข้างนอกคุณไม่ไปทําอะไรแล้วมันไม่เกิดแล้วไม่มีสัมผัสอะไรแล้วเป็นหูปิดตาแล้วนั่งสมาธิมันฟุ้งขึ้นมาข้างในคุณก็กดหัวมันเฮ้ยอย่าเกิดมาคุณก็จะข่มคุณไม่ได้ไปพิจารณาอะไรมันถ้าคุณสามารถพิจารณาเออเกิดดูมันมันไม่เที่ยงมันไม่ได้อะไรแความเดีวจนกระทั่งคุณเกิดไฟปัญญาว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ของไม่เที่ยงไม่ใช่ของยึดมันเป็นภาระ มันเป็นตัวตนสามารถทํำได้ลดไ ด, ด, ได้เพราะฉะนั้นบางคนก็ก็พิจารณาให้มันลดอย่างนี้ได้จึงเป็นอาสะวะบางอย่างดับได้แต่มันไม่ครบกายต้องสัมผัสวิโมกข์แปดได้กายต้องมีทั้งอัจฉรังต้องมีทั้งประหิทธาต้องมีทั้งภายนอกทั้งภายในมีสัมผัสอยู่มีพุดสิจตวาต้องมีการสัมผัสอยู่ทั้งนั้นและมีองค์ประชุมครบทั้งนอกทั้งในกายโยคํำนี้คําเดียวเนี่โอโหอัตมา อธิบายจนเมื่อยแล้วตัวนู้นเขียนคราวนี้หนังสือเล่มนี้จะมีอธิบายกายอธิบายบุญนี่เยอะแล้มันก็จะเกิดสังขารต่างๆขยายความสังขารเยอะค่ะขอพระคุณค่ะขอโอกาสค่ะขอโอกาสนะคะเรื่องต่อเนื่องกับเนียนใจนะคะพ่อท่านค่ะแล้วแบบนี้แล้วแลแบบนี้เราจะต้องอยู่ใกล้ๆนี่ค่ะแล้วแบบนี้เราจะต้อง<ว><า> ต้องหาภาษาเหรอะแบบนี้ต้องหาัสสะมันไม่ต้องไปหามันก็มีอยู่ตลอดเวลาคุณจะไปหลบไปรีไปหนีไปห่างกันแล้วกันว่าทต้องไปหามันกะไรกันยาก <c oughs> คุณอยู่กับหมวยคุณทำงานไปเถอะมันก็มีภาษาตลอดเวลาแล้วมันจะรับมือไหวไม่เท่านั้นเองมไม่ต้องไปหาทำไมอ่ะ <c oughs> นัาา่นรนั่นอเพราะฉะนั้น <c oughs> พรเห็นไ ม, นไม่ไม่ไม่ต้องไปต้องเสียเวลาหา <c oughs> คุณอยู่ก็หมูทํางานไปก็คุณคุณไม่หนี้จากสังคมนี่คุณไม่ต้องไปหาว่ารอมันมาคุณจะรับมือมันได้หมดมันคุณต้องแบ่งรับเท่านั้นเองแบ่งรับอยู่อ<บ>ในอโศกเนี่ยภาษาเยอะแบ่งจัดการแบ่งจัดการภาษาเยอะทำงานข้งางนอก ไ, ไม่เยอะป่านนี้ค่ะไม่เยอะป่านนี้ทางานข้างนอกนี่ไม่เยอะป่านนี้ค่ะพัดซักในนี้อ่ะแรงจริงๆค่ะยอมรับว่ายอมรับว่าถ้าหากว่าดูใจตัวเองไม่ทันคุณเองที่บอกว่าคุณว่าแรงนี่นะ มันไม่แรงหรอกที่นี่นะมันไม่แรงหรอแต่คุณรู้ว่าแรงคืออะไรอันนี้นะมันชัดมันง่ายแต่ว่ามันคนเข้าใจยากมันง่ายนะอา้าวคุณมาปฏิบัติธรรมในนี้เนี่ยแต่ก่อนนี้คุณอยู่ข้างนอกคุณไม่รู้จักกิเลสละคุณว่ากิเลสคุณก็ไม่มีอ่ะแต่พอมาในนี้มาปฏิบัติแล้วเฮตมากิเลสเราเกิดหมดเอาที่นี้เขาไม่ได้สร้างกิเลสให้คุณนะคุณหอบมาในกิเลส ข, ของคุณนั่นนะ่ะ แต่คุณมีดวงตาคุณมียานปัญญารู้เห็นอ๋อไอ น, นี่กิเลสเว้ยโอ้ยไอนี่ก็กิเลสไอ น, นี่ก็กิเลสโอ้ยทำไมมันเยอะจังเว้ที่จริงก็คนกระทกกะบินั่นแหละใช่ใช่นะชั้นเดียวกันนะว่าคุณว่ามันแรงที่นี่มันแรงมันข้างนอกไม่แรงไม่มีไม่ใช่หรอกข้างนอกนะมันแรงแต่คุณเองคุณวางมันคุณปล่อยมันคุณไม่ได้เกี่ยวข้องมันเลยคุณไม่ได้เอาทานแต่คุณมาเอาเรื่องกระหมูตรงเนี้ตรงเนี้ ก็เลยรู้สึกมันเยอะและมันแรงที่จริงมันไม่แรงถ้าแรงปานนี้แตกไปเยอะเป็นนานแล้วไอ้อโศกเนี่ยถ้ามันแรงอะมันอยู่ไม่ได้หรอกไม่ถึงกันมาตบมาต่อยมาตีกันที่ไหนคำว่าคำว่าแรงในที่นี้หมายถึงอย่างนี้ค่ะท่านพอไปวงไหนก็บอกว่าอุ้ยผัดสะไปวงไหนก็อุ๊ยผัดสะก็ต้องเ ป, ปาาน็นธรรมชาติก็เลยก็จะไปตีทูงมีผัดสะเยอะคือกิเลสเยอะกิเลสแรงได้ไง เพราะฉะเลี่ยงไปไหนเราจึงอยากบอกว่าดิฉันก็คือตัวภาษาหนึ่งที่ทําให้เกิดเกิดหมู่หมู่หมู่กลุ่มเกิดกิเลสนะคะก็เลยอยากบอกหมู่กลุ่มว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นภาษาซึ่งกันและกันนะคะเลยเน่ยเรไม่ต้องไปบอกเราไม่ต้องไปบอกหรอกรับไม่ไหวแล้วกันขอบคุณค่ะรับไม่ไหวแล้วกันคุณไม่ไปบอกเขาหรอก กราบโอกาสข่าใจดินค่ะอ้าวกราวขอบพระคุณพ่อครูวันนี้อยู่ฟังเรื่องของอ้าวเดี๋ยวจิวนี่แล้วอีกคนนึงสุดท้ายอ้าวใจดินแล้ก็อีกคนนึงอัตตามานะเนี่ยเรารู้สึกว่ามันถูกสักยะเราจริงๆค่ะดีแล้วรู้ตัวมันแล้วก็อ่านมันได้ว่าพูดเอาไว้ทําอะไรของเราเนี่ยมันเป็นแบบเอาไว้ทําอะไรคนเล็กคนน้อยค่ะเวลาเราไปทํางานเนี่ยเราจะเจอกับคนทํางานที่เขามีขั้วต่างกันกับเรา ทีนี้บังเอิญเนี่ยไปทำแล้วอย่างเขาเนี่ยมันดีมีผลงานดีด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ทำร่วมด้วยเราก็ยอมด้วยนะคะแต่เก็ยอมไปอึดอัดไปบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออเรามีแรงน้อยเราก็ยอมค่ะยอมครั้งที่หนึ่งก่อนแล้วครั้งที่สองก่อนแล้วครั้งที่สมก่อนแล้วเราอู้ว่าอะไรกันเนี่ยจะให้เราเป็นยอมเรื่อยไปหรือยังไง ีนี้อัตตามันขึ้นยอมให้มันจนจะทั่งให้มันหมดเลยเราเราก็ไปหาวิธีค่ะหาความคิดมาหาอะไรอีกบอกว่าเอ๊ะคุณน่าจะลองคิดอย่างวิธีของอีกอีกขั้วหนึ่งบ้างอะ่ะก็ไปเสนอเสนอทีไรก็ไม่ได้รับคำตอบค่ะเขาก็ยังเอาเหมือนเดิมตีนี้เอ๊เราก็รู้สึกว่าชักจะแย่แล้วแบบนี้นะมันเหมือนกับ ไม้สี่ไปงัดไม้สูงเงยเท่ดีแต่หักแล้วก็บอกไม่ช่วยกันได้ <c oughs> คือคราวเนี้ไม่ช่วยไม่ร่วมด้วยแล้วกันมันเป็นแบบนี้เรื่อยๆทุกท ก, กิจกรรมที่จึงหนีค่ะพ่อครูค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็รู้สึกว่าไอ้ที่ไอ้ที่เราหนีมาไม่ใช่ว่าจะมีความสุขแต่ว่าเวลาเราคิดถึงทีไรเนี่ยมันจะเห็นก้อนทุกโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, น, นทุกทีเราก็ว่าเฉันไม่ได้ล้างไอเนี้ยค่ะ ฉันไม่ล้างแล้วจุดก็ตันอยู่ตรงนี้พอวันเนี้ยพ่อครูมาฉีกเรื่องของการยึดในทิ่ติยึดในอะไรตรงนั้นเนี่ยแม้ดีแม้ชั่วอะไรเราลงแรงนะลงแรงที่คิดทั้งคืนคิดหลายๆวันด้วยหัวก็งอกไปหลายรอบเหมือนกันถูกถูกถูกถูกเราก็เสียดายอ่ะทีนี้เราก็มีความรู้สึกบอกว่าไอสังคมมันจะสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยถ้าคุณยอมฟังแม้เล็กแม่น้อยสักคนได้ไหม จีรู้สึกว่าจี๋มาปิ้งที่อาจารย์อนเนกมามาทําสวอตนะคะเพราะเรามีความรู้สึกถึงไม่เอาก็ช่างนะแต่ได้รวบรวมทิฏฐิของคนเล็กคนน้อยไม่ทิ้งของคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเราได้เห็นส่วนในการอะไรถึงแม้ว่าทิฏฐิตรงนี้มันยังมีโอกาสไปบวกผนวกกับคนอื่นแบบเนี้ค่ะที่รู้สึกเออตรงนี้อาจจะเป็นคําตอบในการที่มาเชื่อมระหว่างสองขั้วทิฏฐิสองเดียวกัน อาจจะเป็นคำตอบแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้ก็คือรู้สึกว่าในขณะที่ทำสวอตเนี่ยเรามีเครื่องมือมีอะไรมาจริงแต่เราไม่สามารถที่จะเอาความคิดที่ต่างขั้วมาร่วมสวอตกันได้ตรงนี้ค่ะทําให้สวอ t ไม่สมบูรณ์อันนี้จุคิดเองค่ะไม่ไองมัเปลี่ยได้แล้วมันก็ไม่ไมันไม่มีความสามารถมันสุดความสามารถแล้วคนจะไปทาอะไรอะ มาสู่ความสามารถต้องไปทำอะไรมันนะเออก็ต้องวางนะก็ต้องวา ง, ง, วางที่อาตมาอยากจะอยากจะพูดอยากอธิบายยกตัวอย่างก็คือคนอื่นทำไมนะไม่ช่วยเราคนอื่นทำไมไม่ทำอย่างเราวางอ่าคนอื่นทำอย่างเราวางนอว่าไม่อะไรทั้งนี้บ้างหรือไม่มาช่วยไม่เห็นด้วยไมเออ่เห็นกับเราไม่ช่วยไปกับเราบ้าง อาตมาว่าจะไปเรียกร้องทำไปเถอะยอมแล้วเขาไม่ยอมก็ช่างเขาเรายอมอย่างนี้ยอมอย่างนี้เขาไม่ยอมก็ชังเขาเขาไม่มาช่วยยอมกับเราเลยเลยเขาไม่เอื้อมาหาเราเลยอ่าถ้ายอมมาให้กับเราก็หมายความว่าเออเขาเห็นว่าเรานี่ดีแล้วล่ะเราถูกแล้วเราเเข้ามาชอนรับเราหรือว่ามายกเราหรือมาร่วมให้กับเราช่วยกับเราเห็นด้วยกับเราไปด้วยกับเราที่เราเห็นอย่างนี้เป็นอย่างงี้อย่างงี้ใช่ไหม แต่เขาไม่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีอยู่อันนึงว่าแม้เขาไม่มาช่วยเราแต่เขาก็อยู่เฉยๆพอแล้วถ้าเขาไม่มาอะไรเราอะพอแล้วแต่มันไม่เฉยไอ้เกเขาก็ยังมาเอ้เรายอมแล้วเขาก็ยังมาจวกแล้วอยู่เขาก็ยังมาย่ายใช้ใช้อะไรอยู่เออนี่ก็ค่อยๆหาทางให้เขาพักกันแล้วกันแต่ถ้าเขาไม่พักเราก็ต้องยอม นะเอายกตัวอย่างอย่างอาตมาออกมาจากเทราสมาคมโอโหเขาจวกมาเลื่อยแทนที่จะอยู่เฉยเฉยเขาไม่เฉยเขาจวกจวกจวกเขาไม่เป็นไรเราก็ยอมยอมยอมยอมยอมขึ้นสารขึ้นอะไรมาจนเขาต้งเขาได้ต่างๆนานาสารพัดเบาลงไหมเห็นไหมมันก็เบาลงทุกวันนี้ก็ยังเบาเบาลงแล้วแต่เขาไม่มาช่วยนะ เขาไมมายกก็ไม่มาเห็นด้วยนะใช่ไม่มยังนะแต่ก็เบาลงนี่ใช้ได้แล้วเบาลงนียังไม่หมดแต่ว่าเบาลงใช้ได้แล้วไม่ตะกละแล้วแค่นี้ก็พอการโฟกัสค่ะ <c oughs> อ้าวคนสุดท้ายไหนสมาทานค่ะหลวงหลวงปู่สมาทานคือยึดอย่างมีปัญญายึดสร้างยึดสันค่ะแต่ แต่สมาทานเนี่ยเหมือนกันกันกบปุญญาพิสังขารไหมคะอ่ากันก็นมีนยัยยะคล้ายกันตรงว่าปุญญาพิสังขารก็คือเรารู้จักกิเลสแล้วก็ชำระกิเลสได้เรียกว่าเราทำสังขารนี่คือการปรุงการตกการแต่งการสร้างการจัดการการทําสังขารเนี่ยว่าเราทําใจในใจของเราให้กิเลสมันลดแล้วมันบุญปุญญาพิสังขาร สมาทานคือเราถือเหตุปัจจัยถือหลักเกณฑ์ถือข้อถือกรอบถือกำหนดถืออะไรก็แล้วแต่มาทำงานทั้งหมดแล้วเราก็ทำสมารเราสมาทานแล้วเราก็มาทาสังขานอภย์สังขารบุญได้ได้ซอน<ะ>มาทําบุญนี่มาทาอีกทีหนึ่งที่เราตามกรอบที่เรากำหนดได้ว่าสมาทานตามเรื่องที่เรากำหนดตาม อะไรที่เรากำหนดไว้ไอ้ที่เกินกำหนดบางทีเราทำไม่ไหวเราทิ้งไว้ก่อนอย่างคนถือศีล5้าอย่าพึ่งถือศีล8ปเราก็กำหนดเอาแค่ศีลนาศีลแล้วก็ยังไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นตามกรอบของเราสมาทานแค่ศีลหเราก็อย่าพึ่งอย่างนี้เป็นต้นเราสมาทานกินข้าวสองมือ้อเรายังไม่เอามื้อเดียวอย่างนี้เป็นต้นมันกรอบของเรา นมนค่นิมนต์สมนาสิทธมาสค่ะอ้าวหมดแล้วที่นี้สมนาการบวชขอการพระครูหมู่สมนาแล้วก็เจริญธรรมพวกเราทุกคนวันนี้จะพูดเรื่องเรื่องแจวห้อน ครั้งแรกในชีวิตที <laughs> ่กินแจว้วทำไมหัวเราะเออจะบอกอย่งขครความ <laughs> คือไปบินตบาดอยู่สายสายวัดไอ้สายตลาดอะไรอะตลาดเจริญหรืออะไรเนี่ยนานนั่นแหละสองปีสามปีแล้วแหละนะเรื่องไอ้แจ้วห้อนเนี่ยนะก็เลยเมื่อวานก็เลยไปไปที่อุทยาน <c oughs> ไปดูพื้นที่นั่นแหละนะว่ามีอะไรบ้างอะไรต่ออะไรนะ เลยก็เลยถามว่าไอ้ใครทําแจ่วฮ้อนเป็นนะนะก็ตามหาว่าใครทําเป็นมาจากไหนแจ่วฮ้อนนะนะก็เรื่องแจ่วฮ้อนนะถ้าจะเลิกง่ายมากเลยเพราะว่ามันเหมือนกับกขวยเตี๋นั่นแหละนะแต่เราไม่ใส่ไม่ใช่ข้ตี๋หรอกมันมันเหมือนกับไออะไรขอซูกิยากิ อ่าสุกิยาก้ของญี่ปุ่นแล้วเอามาเป็นสุกิยาก้ไทยนะ อ, อ่าอัตรมานี่เคยออกอากาศเคยทำโทรทัศน์ทำสุกยากเฉบับญี่ปุ่นเลยนะมันคนละเรื่องเลยกของ ข, ของไทยเอาละเดี๋ยวเส้นเวลาคื อ, ค, อคือหมายความว่าถ้าจะเริ่นี่คือเราไม่เอาไม่เอาแจ่วฮอนใส่มันก็ต้มจืดธรรมดาแค่นั้นเองเอนะก็ก็เลยเห็นว่าเหมือนอย่างอ ชาไอ้เขียวอะไรพวกนี้ในที่ไอ้ขวดในยี่สบาทยีท่สบ้าบทอัตมาเขาถวายมาตั้งหลายครั้งอัตมาไม่เคยแตะนะเพราะไม่อยากไม่อยากรู้รสชาติมันเป็นยังไงไม่อยากรู้แล้วก็ไม่อยากจะไปสังขารมันอีกไะนะดังนั้นไอ้แจวฮ้อนนี่ก็เลยว่าลองดูซิว่ามันเป็นยังไงมันจะอันนั้นไหมโอ้กว่าจะหมดนายเหมือนกันนะวันเนี้ยเพราะว่ามันมันมันมันมันมนเผ็ดไงไม่เผ็ดนะ แล้วพอคนลสูตรมาให้ผมอ่ะไม่รู้ของผมวางมาใส่หมดเลยเขามาเท่าไหร่ผมใส่หมดเลยเุ้ยใส่หน่อยเดียวก็ใส่หมดเลยตายตายก็เลยก็เลยชาบเลยผมใส่เข้าไปหน่อยเดียวกูดูดูารถมนเป็นยังไงเท่านั้นเองเออว่าจะเล่าเล่าซะเลยไอ้ีหัวราะก็เพราะว่าอาตมาท่าไม่เคยได้ได้แจวห้อนมันเป็นยังไงอาตมาก็เป็นคนอีสานก็รู้แจวมันเป็นแจวห้อน อยู่ดีๆมันเป็นแจวห้อนยังไงแล้วมันเป็นรูปไหนมันเป็นแจววะเปล่าเขาบอกไม่ใช่มาสุกิยากิเฮ้ยนั่นมันสุกิยากิมันเป็นแจวได้ยังไงวะอาตมาก็งวไม่รู้มันตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่ยมาพูดกันพอดีมีว่าเออครับก็เลยเประเปิดว่าคนที่เขาบอกเดี๋ยวไอ้ที่ทำให้ฉันแต่ทำไมฉันเขาเลยทำให้ฉันวันนี้กันเนี่ยนั่นองค์นั่นก็ฉันอาตมาก็ได้ฉันวันเนี้ยอาตมาโอ้อย่างนี้เองแล้วแจวห้อน โอ้เจ้าพระคุณเออแต่เขาอาตมาอาตมาไม่ได้ใส่หมดอย่างที่ว่าเนี่ยใส่มา ก, ก็ตากเอาทีละนิดก่อนเราดูรถมันเออเอเอมันยังงี้ ง, งี้ก็ใส่พอสมควรก็เลยหยุดเมื่อเนี่ยถึงครึ่งเราตากใส่นิดหน่อยไอ้นั่นมันก็มีเส้นมีผักมีอะไร่วกมาทรมันางมันก็ซูิยากิไทยแหละที่ไทยเอามาปลอมเป็นซูชิแต่ว่าของของซูิยากิเนี่ยเขาทน้าน้าของมันนี่คือน้าเต้าหู้ เนี่ยมาสกีกีนี่เป็นน้ำเต้าหู้เต้าหูยี้เป็นหลักของสกีกี้นะแต่อันี้มันดัดแปลงแทนที่จะเป็นเต้าหูยี้มันเล่นแจวเลยแล้วมันปรุงแจวใส่คุเกาคัวอะไรนะเขาบอกนะเขาบอใส่ขุงแบบลาวแบบอีสานเน่ย คือหมายความว่าเขาไอ้ที่จะเลิกนี่หมายความว่าถ้าเป็นแจ่วเนี่ยถ้าว่าแจ่วหรือพริกเนี่ยน้ําลายมันจะไหลเลยนะคือคือมันชอบไงมันชอบมันติดถ้าสําหรับไม่มีแจ่วก็ถือว่าไม่ได้พีกกไม่ได้มีสําหรับกินข้าวนะถ้าสําหรับไม่มีถ้วยแจ่วเนี่ยไม่ใช่สํำรับข้าวนะดังนั้นทุกวันนี้เวลาเจอพริกเนี่ยพยายามเขียวหมายเพราะมันพป็นของที่ชอบไงนะพยายามละพยายามเลิกเนี่ยก็เลย ก็เลยเจอพิษเมื่อไหร่มันก็มันมันก็แสบร้อนเพราะว่ามันเป็นอุปทานใหม่ไงเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอุปทานว่ามันต้องอร่อยอ่ะมันเห็นแล้วมันขนาดอยู่ในต้นมันต้องเด็ดมาแล้วให้มมีกลิ่นนะเวลากินเข้าไปมันต้องมีกลิ่นและอะไรพวกนี้เพิษไม่เกี่ยวนะแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นมันเราก็เขี่ยออกเขี่ยพยายามเขี่ยออกนะครับดังนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราจะลดละกิเลสเนี่ยถ้าเรารู้มันเป็นพิษภัยแล้วมันเป็นโทษเป็นภัยเนี่ยถ้าเราพยายาม ใช้ความเพียรที่จะเลิกเจร่ามันจะใช้เวลาล้านล้านชาติเนี่ยตะมาว่ามันมันเอาเปรียบพระพุทธเจ้ามากไปหรือเปล่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนีเจอพระพุทธเจ้ามาตั้งหแสนกว่าพระองค์เนี่ยท่านเพียรแล้วเพียรดีกันนะดังนั้นพวกเราอย่าไปท้อว่าโอ้ยลดละกิเลสมื่อไหรมันจะหมดโถตะมาเนี่ยตะมาบอกอีกล้านล้านชาติให้หมดกิเลสมีปัญหาหลอกเจริญธรรมมันหมดมันหมดจริงๆนะแต่พูดถึงเผ็ดเนี่ย อาตมาเผ็ดไม่ได้เลยทุกวันนี้ตั้งแต่อาตมาเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนกินข้าว พ, พ, พ, พริกคัมข้าวคัมพริกคัมข้าวคัมจริงๆรยิ่งพริกขี้หนูสดๆมันมาเขียวมันดังยิ่งสดๆนี่มันดังครอบนะกลิ่นมันก็จะออกจมูกชุยนึกออกไหมพอเคี่ยวปั๊บเนี่รอบแต่ชุยโอ้โหแล้วแล้วข้างในเจ้าเลยนะ มันไปพร้อมกันเลยทั้งกลิ่นทั้งรสโอ้โหทั้งเสียงครอบเลยนะทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งเสียงช็อโอโแต่เดี๋ยวนี้นโอ้โหไม่ไหวเลยกลัวเลยเดี๋ยวนี้เห็นมันเผ็ดมันแสบก็พยายามกินนะพยายามมั่งเขาก็ทำให้มามั่งแต่เขาก็น้อยลงน้อยลงก็มีมั่งก็กินแต่มั่งไม่งั้นไปเนีวมันไม่ได้เลยก็มีติดอะไรมามันไม่ไหวสรับไม่ได้เลยมันก็ไม่ดี อา้าวทางโ น, น้อีกคนเดียวหมดเวลากันพ่อครูท่านสำนากทุกรูปมนเตยทรูปจริยธรรมท่านดีสิชาวชุมชนค่ะ <c oughs> ก็อย่าเพิ่งน้ําย่อยออกนะเดี๋ยวกระเพาะจะร้อน <c oughs> วันนี้ก็ได้กินแจวร้อนกันทุกคนนะคะเพราะว่า <c oughs> ทิฏฐิหลากหลายกันดเลที่ทิฏฐิหลากหลายคงได้เข้าใจเรื่องทิฏฐิเรื่องอัตรากันเพิ่มขึ้นนะคะ โจทย์ที่ไม่ได้อยู่บนกระดานดำโจทย์ที่ไม่ได้อยู่บนกระดานขาวแล้วก็อย่าคิดว่าเราจะต้องไปวิ่งหาผัดสะแล้วย่าอย่าไปท้าทายก็แล้วกันเดี๋ยวมันมาจนรับไม่ไหวเราจะนอนไก่นัาผากักโอ๊ยทําไมมันเยอะอย่างนี้ทําไมมันเยอะอย่างนี้ทำไมวิบากมันเยอะอย่างนี้นี่เรื่องพิชนะคะพ่อครูก็บอกว่าให้คืนความสุขความสงบไม่ใช่อยู่นั่งนิ่งเฉยเฉย ในนี้เราก็ใช้กรรมมารามตาเป็นตัวกระแทกออกมาสันติสุขจะกลับคืนมาความสงบอยู่เย็นเป็นสุขก็จะกลับคืนมาทำสิ่งทำสิ่งที่ขาดแคลนสิ่งที่อุดมสมบูรณ์ให้มันถึงจะอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความสงบแท้ส่วนพร า, าดอรภาพชาวโศกทําได้ดีแล้วพ่อครูบอกว่า เ, วเราพึ่งกันได้ดีเ อ, อ้อเกิดแก่เจ็บตายช่วยกันสร้างช่วยกันทํา อันนี้เราทำก็ได้สุดยอด เ, อเรื่องอิสระเสรีภาพให้ปลดปล่อยความติดยึดไม่ใช่ยึดอย่างไม่สัมผัสสัมพันธ์แต่เราต้องต้องมีการเกี่ยวข้องแต่จิตเราไม่ไปเกาะเกี่ยวไม่ไปยึดมาเป็นของเรา เ, เมื่อหมดความยึดเมื่อไหร่เราก็ไปอิสระภาพเมื่อนั้น เ, เราจะมีแลสิ่งที่จริงเรามีตัวอย่างให้เห็นนะคะ พระครูบอกว่าทำงานอย่างที่ไม่เอาราบไม่เอาค่าจ้างเราก็จะเห็นพระโพธิสัตว์อีกรูปหนึ่งงานนึกถึงนะคะพอดีนึกถึงพระ อ, องค์ท่านบาสมเดพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านทำงานให้แกโลกแกสังคมแกประเทศชาติเนี่ยไม่ได้รับใช้ใครแล้วก็ไม่ได้ค่าจ้างไม่มีใครมาบอกจ้างให้ทำแต่พระ อ, องค์ก็ทำเพื่อ แผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขแกมหาชนชาวสยามจนถึงกับมียุคมีอยู่ยุคหนึ่งนะคะถึงกับว่าที่จมะมาโค่นล้มกันเลยแหละแต่พระ อ, องค์ท่านก็ไม่หยุดนะไม่ทิ้งประชาชนเพราะว่ามีมีประชาชนตะโกนใช่ไหมคะส่วนใดท่านท่านนิสิตคงได้ยินกันแล้วแหละบอกพระ อ, องค์ท่านอย่าทิ้งประชาชนถ้าถ้าประชาชนไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งประชาชนพระ อ, องค์ท่านถึงทําทรงงานจน ตั้งมุรุษที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนยังไม่เห็นแกนิดกัเนือจนปัจจุบันเนี้ลาบก็ไม่มีนะคะจ้างก็ไม่ได้นะคะแต่พ่อครูของเราก็เช่นกันเมื่อกี้พ่อครูก็ยืนยันเหมือนกันเงินจะเอาที่เขาถวายมาจะเอาไปหาหมอก็ไม่เอาพ่อครูของเราวันนี้นี่ให้ข้อคิดหลายอย่างนะคะแต่ก็ว่าข้อคิดข้อวิจัยหลายอย่างแต่ว่าเราจังสังเกตเห็นนะ พ่อครูท่านจะยิ้มแย้มเบิกบานนะคะแต่ถ้าเราโมโหเนี่ยมันไปทั้งหน้าเลยนะทั้งตัวเลยบางทีก็เราเราจับได้นะข้างในนี่มันจะสั่นเลยแล้วเลือด ก, กระฉูดเลยแหละแต่พ่อครูท่านยิ้มนะอันนี้แหละความที่เป็นหมดความเป็นผู้หมดกิเลสจะจะมีความใสมีความยิ้มแย้มไม่ในในข้อข้อที่ขัดข้องอกายอย่างเดียวกันนะัสัญญาต่างกันนะเนี่ยวันนี้นะ สัญญาว่าเอกิเลสไ อ, ไ อ, ไ, อไอเลนเลนเดียวกับสี่เลนเนี่ยทําสัญญาไม่ตรงกันอนะ่ะเราจะไม่รู้ก็ไม่ได้จะจะในว่าสัญญาณนะสัญญาจะรู้มั่งไม่รู้มั่งก็ไม่ได้ต้องทําให้รู้ให้หมดนะคะต้องเข้าใจอย่างเดียวกันให้ได้นะวันนี้นะว่าจะปิดถนนกันแค่เลนหนึ่งหรือครึ่งเลนอย่าไปทะลุนเนี่ยไปสี่เลนสัญญาคนละอย่างก็เข้าใจสัตว์ว ก้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องภายนอกแต่มันก็เข้าไปกายในกายได้เหมือนกันเราก็จะสังเกตนะคะว่าคนที่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเล็กยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งมีเมตตาเท่านี้ค่ะอ่ะเอาละหมดเวลาเนาะวันนี้ก็เมื่อกี้อ่าสุเดนทัม ก, ก็บอกมาว่าอาจารย์ประหยัดนสัตรอาจารย์ประหยัดพงษ์ดำอ่า ก็ปีเดียวกันกันตมาพระยักเนี่ยก็รู้จักกันดีเป็นเพื่อนกันก็เป็ น, ป น, ปนก็เคยเรียนที่พ่อช่างกรแล้วก็ไปเรียนเป็นไปเรียนที่ศิบักกรจบเป็นอาจารย์อยู่จนได้เป็นศาสตราาจารย์จนเป็นศิล ป, ปินแห่งชาติอะไรต่างๆนาะนาะวันนี้ก็เสียนะสิ้นชีวิตวันนี้เกิดปีเดียวกัตมาแต่ไม่ได้ถามว่าเรดเดินในปีในวันไหน ก่อแก่กันเท่าไรไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คนออกแบบ ร, รักครังเขารับปากว่าเขาจะสร้างออกแบบระครังแบบไทยๆก็คุยคยบอก ค, คุยกันก็รับปากรับปากว่าจะสร้างระครังระกครังแบบไทยในรักครังไทยอกเออออกแบบมาให้หน่อยขอเขาก็จะรับปากว่าจะไปะไปออกแบบมาให้ จนสุดท้ายไม่เคยออกมาให้เลยจนป่านนี้นะก็คงจะไม่ออกให้แล้วเพราะไปไปแล้วนะอาตมาก็ได้แล้วคงไทยคนอื่นๆก็าทำเขาอะไรมาก็นะกไม่ได้ไม่ได้ทวงไม่ได้อะไรหรอกเขาก็ไม่ได้ออกมากก็แล้วไปพรนะะปากเขาจะออกให้เขาว่าเขาอยู่กับวงการพวกนี้เขาเจอเยอะกว่าอาตมาอาตมาเขาจะไงอาตมาก็ไม่ได้ทํางาน ขีดเขียนอะไรได้พวกนี้แล้วอาตอมาทำงานในบริหารก็แสดงทํา็ร่นมือลนะนะสาหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้จเจริญธรรมทุกคน